ครับพวกเราเนี่ยที่ตั้งใจในการที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็ต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็พูดในเรื่องของสัพพาสวะสมวรสูตรในสัพพาสวะสมวรสูตรนี่พูดเกี่ยวในเรื่องของการละอาสวะ คือการละกามาสวะการละพิฐาสวะขว า, าวสวะแล้วก็อวิชชาสวะแต่โดยในหลักโดย ท, ทั่วไปท่านจะกล่าวอาสวะสามแต่อาสวะจริงๆแล้วมีสี่เรามีอาสวะที่พึงละได้ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นแล้วก็อาสวะที่พึงละได้ด้วย โดยการสัมรวงอาสะวะที่พึงละได้ด้วยการซ่องเศษอาสะวะที่พึงละได้ด้วยการอดกลั้นอาสะวะที่พึงละได้ด้วยการเว้นแล้วก็อาสวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทาตลอดถึงอาสะวะที่พึงละได้ด้วยการเจริญะการการละอาสะวะแต่และ ว, วิธีเนี่ยจะสำเร็จได้ก็ต้องมีโยนิโสมนัสิกาม ก็คือการพิจารณาโดยแยกขายซึ่งเป็นปุปภากธรรมเป็นธรรมเบื้องต้นนั่นเองฉะนั้นในพระ ส, สูตรสองสูตรแรกของมัชิมานิกายคือมูลปริยยจสูตรท่านก็กล่าวในเรื่องของปารโตโคสะและสัพพาสวัสดสารสูตรก็กล่าวในเรื่องของโยนิโสมนัสิกาวท่านจะกล่าวลักษณะอย่างนี้น ทีนี้ในในพระสูตรเนี่ยที่ท่านกล่าวอย่างนี้ก็มาเชื่อมกันก็คือว่าปารโตโคสะกับโยนิโสมนัสิกาเนี่ยอันนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เกิดมีความเข้าใจในการที่จะละอาสวะทั้งหลายทั้งที่ได้กล่าว ทนี้ครั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของอาสวะที่พึงนละด้วยด้วยความอดทนอดกลั้นที่เป็นอาเป็นข้อที่สี่เพราะพิจารณาผ่านไปแล้วก็คือพูดในเรื่องของอดทนอดกลั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายว่าอาสวะเราไหนที่จะพึงละได้ด้วยความอดกลั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วนไหม คำว่าพิจารณาโดยแยกคายแล้วนี่ก็เป็นชื่อของโยนิโสมนัสิการนั่นเองก็คือใส่ใจโดยแยกคายพิจารณาใส่ใจโดยถูกทางถูกวิธีถูกอุบายฉะนั้นบอกว่าพิจารณาโดยแยกคายและเป็นผู้อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายสัมผัสแห่งเหลือกยุงลมแดดและสัตว์เื้อยคลายเป็นผู้มีชาติของผู้มีความอดกลั้นต่อถ้อยคาที่ผู้อืน่นกล่าวชั่ว แล้วก็ร้ายแรงต่อเวทนาที่มีอยู่ในตัวซึ่งบางเกิดขึ้นเป็นทุกข์หนาแข็งกล้าแล้วก็ไม่น่ายินดีไม่น่าชอบใจอาจจะท่าชีวิตเสียก็ได้ันกรณีของความอดทนอดกลั้นเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันเหมือนกับว่าความอดทนเนี่ยก็แปลว่าเราเจ็บปวดเราทรามาน แล้วเราเจ็บใจด้วยอย่างเนี้นะทีนี้ความอดทนในความหมายของท่านท่านจะใช้ทาว่าพิจารณาโดยแยกคายแล้วนะคําว่าพิจารณาโดยแยกคายแล้วในขณะนั้นเนี่ยแสดงว่าอลไรใจท่านไม่เจ็บปวดเหมือนพระสูตรที่เราเคยศึกษากันที่บอกว่าดูก่อนพิทูลยาตรัสโดยใจความดูดูก่อนสูตรทั้งหลายบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับกับพระญาสาวกผู้ได้สดัตบเนน่ยต่างกันตรงไหน ในขณะที่ประสบทุกขเวทนาหรือประสบกับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่โถมเข้ามาหาในชีวิตเนี่ยบอกต่างกันก็ตรงที่ว่าผุุ้ชนเนี่ยที่ไม่ได้สดับเนี่ยเวลาเจอทุกขเวทนาทางกายเป็นต้นเหล่านี้นะเกิดความหิวร้อนกระหายสัมผัสที่เกิดจากยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานหรือ คนที่กล่าวชั่วตลอดถึงว่าทุกขเวทนาในตัวที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์หนาแข็งกล้าไม่น่ายินดีไม่น่าชอบใจถ้าเจอความทุกข์อย่างนี้แล้วบุตุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยจะเจอหนึ่งทุกข์กายสองใจก็เป็นทุกข์ทีนี้พอกายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ด้วยก็จาเพอออ้อตีอกชกตัวก็ร่ำไห้บนเพ้อว่าทำไมเราจึงประสบปัญหาประสบชีวิตอย่างนี้เหลือเกินใช่ไหม ก, ก, ก็ทุกข์ใจทรมาน ก็มีโศการิเทวะทูตขเทมนะสและก็อุปาญาตินี่พุทธชนที่ไม่ได้สดับจะเป็นอย่างนี้ส่วนพระอริยาสาวกเนี่ยเออท่านพูออกมาว่าพุทธชนก่อนพุทธชนที่ไม่ได้สดับาเนี่ยท่านก็บอกเหมือนกถูกยิงถูกลูกศรปักเข้าไปที่กายแล้วก็ถูกปักอีกดวงอีกดอกก็คือว่าหนึ่งกายก็ทุกข์สองใจก็ทุกข์แต่พระอริยาสาวกผู้ที่ได้สดับแล้วเนี่ยเมื่อเจอทกเวทนาไม่ว่าจะร้อนหิวกระหาย หรือเจอยุงรมแดดหรือสักเลืรอยคานเป็นต้นตลอดถึงคําพูดที่คนอื่นกล่าวชั่วก็ด่าใส่ร้าย้าเสีต่างๆเหล่านี้ตลอดถึงทุกขเวทนาอย่างเจ็บปวดที่เกิดจากโรคภัยแค่เจ็บหรือโดนกระทบกระทั่งโดนทิมโดนแทงเป็นต้นเหล่าเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยอริยาสาวกที่ได้สดับแล้วเนี่ยก็จะทุกขเฉพาะทางกายแต่ใจนั้นก็จะไม่มีโทมันะไม่มีปริเทวะและก็ไม่มีอุปาญาเป็นต้นเห็นไหมว่า คือหนึ่งกายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์เนี่ยทำไมเขาก็มีความรู้สึกเขาไม่มีมีแต่ทำไมใจเขาไม่เป็นทุกข์ตรงนั้นคือเขาเข้าใจเขาเข้าใจอะไรเขาเข้าใจว่าเวทนาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเนี่ยสุขเวทนานั่นก็เกิดจากเหตุปัจจัยทุกขเวทนาก็เกิดจากเหตุปัจจัยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า ถ้ากลุ่มที่บอกว่าหนึ่งอาศัยตาอาศัยรูปอาศัยจักรคูวิญญาณอาศัยจักรคูสัมผัสก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาฉะนั้นถ้าหากว่าไปเจอหนึ่งสภาพตาก็ดีสภาพรูปก็ดีจักรคูวิญญาณเกิดขึ้นมาพวกมีการกระทบกันพวบเนี่ยสุขเวทก็เป็ปเนที่ตั้งแห่งสุขสุขเวทนาก็เกิดขึ้นฉะนั้นสภาพของที่เราเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเนี่ย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 แต่เกิดจากภาษาด้วยเช่นการการเลี้ยงชีวิตหรือการใช้ชีวิตไม่สมดุลในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาด้เช่นทุกขเวทนาเป็นต้นเหล่านี้ดังนั้นสรุปก็คือว่าเหี้ยในปัจจุบันคือภาษาคือการกระทบทำตาของจมบุกเดินกายและใจนี่ก็เป็นปัจจัยเกิดชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นต้นนะั่นคือกลุ่มผุ้ดชนทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความขับแค้นเหล่าใด เพ่งบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่อดกลั้นอยู่งั้นถ้าไม่อดกลั้นอาสวะและความเร่าร้อนการกระทำความคลับแค้นนั้นย่อมย่อมไม่มีหรือบอกถามว่าอาสวะและความเร่าร้อนการกระทําความคลับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้อดทนอดกลั้นอยู่อย่างนี้ถามบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคลับแค้นเหล่านัพึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ Driver. มีความอดกลั้นอยู่ อาสวะแนละความเล่าร้อนีอ้นกรารทำความก้าวแค้นนั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นะผู้อดกั้นอยู่อย่างนี้เออถ้าเป็นคนอดทนเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างที่บอกว่าเออที่พระยกตัวอย่างที่พระท่านเจอโรคไปยแคเจ็บเบียดเบียนแล้วพระก็ไปบอกท่านเลยท่านอดทนไหวไหมท่านจะลุกขึ้นนั่งพอลุกขึ้นนั่งแล้วภายในที่เจอจริงๆก็คือว่าทนไม่ได้ อาเจียนออกมาเป็นเลือดเป็นตัวหล่นี้แต่ว่าท่านก็ได้บรรลุพิกษุทั้งหลายอาสะวะเหล่านี้เราจะถามโคตกล่าวว่าละได้ด้วยความอดกลั้นด้วยการนี้ฉะนั้นการละได้ด้วยการอดกลั้นเนี่ยอดกลั้นในที่นั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของขันติทีนี้ขันติเนี่ยที่บอกอดกลั้นนั้นต้องอดกลั้นแบบไม่มีโทสากเกิดขึ้นมาด้วยที่ท่านยกตัวอย่างว่าถ้าเถละที่บำเพ็ญเพียรอยู่เนี่ยพิจารณา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 อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยถามว่าในขณะที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยใจเรามันไม่มีกรรมฐานใช่หหรือไม่มีพภพเจ้าเป็นต้นเหล่านี้มาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตลอดอียอมอยู่คนหนึ่งเราจะ ท, ทุกข์มากเวลาไปสอนหนังสือไปอะไรต่งางไปสอนหนังสืออยู่ให้เด็กต่างชาติแล้วก็เด็กคนไทยคือเด็กกรล่านี้เขาโงดื้อมาก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 วันก่อนเขบอกว่าโอ้เดี๋ยวดีดีขึ้นเยอะแล้วใ้ทุกคือคือการจัด ก, การกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องลําบากนะหนึ่งจัด ก, การอีกอย่างหนึ่งก็จะไปโผล่ขึ้นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม ค, คือเราไปมองออว่าความทุกข์ของเราเพราะคนคนเนี้ยแต่เรากลับไม่คิดว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจใเราเนี่ยเพราะเราม่นัติการหรือเราไม่มีโยนิโสมนัสิกาเพราะเราทิ้งกรรมฐานกับพระพุเจ้า ถ้าเราจัดการที่ใจของเราเบ็ดเสียดเตี้ยเนี่ยวลาการมองอะไรทีนี้เวลาเราเห็นคนอื่นเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่เราคิดหรือปรารถนาเนี่ยทีนี้เราก็จะเริ่มวางใจโดวเราเองถูกพอวางใจถูกแล้วเราเข้าใจโลกเข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจสังคมเป็ยดเสียดเนี่ยไอการแก้ปัญหามันอีกระดับหนึ่งนลยทีนี้ถ้าใจเรายังแก้ไม่ได้เล ย, เยระหว่างความสุขกับความทุกข์ความเครียดความกังวลหรือความโลภเป็นตัวเนี่ย เราจแก้ตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไปแก้สิงอื่นมีเสียเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าถ้าโทมนัสหรือความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในสมัยก่อ น, เ, นเขาจะอยู่กับกรรมาฐานอย่างยกตัวอย่างเช่นในสติปัฏฐานสูตรที่เคยศึกษากันมาเนี่ยที่พระเจอเสือฆ่าไปแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหน้าผาอย่ไหะ ทีแลกพระท่านก็ร้องบอกว่าท่านพเมีอายุช่วยข้าพเจ้าด้วยเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าตนเสือกัดแลกกัดแล้วพ้าก็ถือคบเทิงไปอ้าววิ่งไปเห็นอยู่บนหน้าผาอยู่บนปา่าเสือแล้วพระจะทุ่มดท่าอะไรอย่างนี้ท่านก็บอกว่าอธรรมดาเนี่ยชาติบุรุษเนี่ยใช่ไหมหรือตามธรรมดาบัณฑิตเนี่ย ในขณะที่ประสบกับความทุกข์เนี่ยก็จะไม่ทิ้งกรรมฐานที่พระ เ, เจ้าบอกไว้ถ้าเตือนกันนี้ยเตือนหันหลังกลับกันหมดเลยก็อย่างเราโอโ้โหนายจะช่วยเราใช่ไหมทำไมเตือนหนีเราก็จะมากังวลไก่วามคิดตรงนี้ใช่ไหมมาเจอรถท้าเขาเห็นโอโ้โหมันขาดได้ครึ่งนึงเนี่ยใช่ไหมเขบอกโอ้ยตามธรรมดาชาติของ บุรุษอาชาในเป็นต้นหรือชาติบันดิตทั้งหลายเราไม่ทิ้งคำสอนของพระเจ้านะแล้วแทนนี้เ็าจะช่วยเดินอย่างนี้กลุ่มเลยเหมือนกับคนคนหนึ่งในตอนนั้นที่ไปเกิดอุบบาิเหตุที่แถวตั้งเชียงใหม่รถกระชนโตมเข้าไปรถทับกันคนบนรถเมลก็จอดพุ๊บดูดเฮ้ยตายหรือเปล่าว่าตายหรือเปลาดูแล้แก็งดินขอความช่วยเหลือ เสียดายไม่ตายก็เลยขับรถไปกันหมดเขาบกแเครียดมากแค้นมากรออยู่นั้นอีกเป็นชั่วโมงนะจนมีคนมาช่วยแกถ้าแกก็สลบไปก่อนจะสลบแกมีเงินอยู่กี่หมื่นไม่รู้เลยดึงออกมาจะขับเข่าแล้วก็ยัดใจมือคนนั้นแล้วแกก็สลบไปมารู้จุดตัวีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลให้เงินเงินก้อนนั้นก็ไม่หาย เขาคืนไว้กันทางหมอทางพยาบาล้แต่คนนั้นไม่รู้หายไปไหนจแกยังว่าออกอากาศถามหาให้คนช่วยกันคือคือคือถ้าเรามองลักษณะอย่ว่าในทัศในความเห็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเห็นก็คือในในพระในสมัยก่อ น, เ, นเวลาเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยเขาจะคิดถึงพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้า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 ยืนบังเป็นเพียนอยู่ตลอดคืนลมในท้องก็เกิดขึ้นไม่สามารถจะอดกันได้ทึ้งก็บิดไปมาแล้วก็มีพิกษุวรดเถระผู้ถือการบินาบาตรเป็นวัดรูปหนึ่งยืนอยู่ข้างที่จมกรมก็ก่าวท่นานมาอุโศวธรรมดาบรรพชิตเป็นผู้มีความมีปกติอดกันนะทพูดแก่นี้เมื่อตามธรรมดาบรรพชิตเนี่ยมีปกติอดกันนะถ้าอย่างเราทีเา่เราทรมานหนักๆมีใครมาบอกเราอย่างนี้เราก็อยย้อนเข้าไป ก็ลงเป็นดูเยอะไงนะแต่นี่นะมพระเถละนั้นก็ดีแล้วผู้เจริญขอบคุณมันนอนนอนแล้วก็สงบนิ่งไม่ไหวลมในท้องมาเสียดเข้าหัวใจไปถึงนาภีท่านขมเวทนาทคู่เดียวก็เป็นป้าละกันเือเป็นป้านาคาเพือเป็นป้าหลานแล้วท่านกับปริณีฟ้าอย่างเงี้ยคือตายเลยอ่ะในหมายท่านก็บิดไปบิดมาใช่ไหมเพราะว่าเหมือนเขาว่าพยายามแม่ลมมัน มันมามาเชื่อเฉือนหัวใจปลาเขาไปเตือนด้วยตามธรรมดาบรรพีเชิดเน่มีปกติอดทนนะบางทีนั้นความอดทนของท่านเนี่ยอดทนแบบมีเหตุผลไม่ใช่บกหม้ทนทนอย่างเราเราทนคนละเรื่องใช่ไม้มทนแล้วโกรธด้วยเงี้ยทนแล้วไม่พอใจด้วยแล้วทนแบบหน้าบึ้งด้วยเงี้ยหน้านิีวคิ้วเขาหมดด้วยอย่างหิวข้าวนะี่นะหิวข้าวโอ้โหหิวจัดเล ย, ยใครก็พูดนี่นหน่อย ไม่ได้ไม่พูดคือที่แรกก็เดินกันไปดีๆเขาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เริ่มไม่พูดกับคนข้างๆแล้วอันนี้ไม่ได้อดทนแล้วคือไม่พอใจอ่ะใช่ไหมเราเห็นหน้าคนนี้แล้วเราเมีรู้สึกเราไม่พอใจเมียเมียไอ้ที่เงียบๆนั้นในใจก็คุนอยู่เงี่ยไม่ใช่อดทนนะคือความอดทนของท่านเนี่ยจะต้องมีโยนิโสมนัสิการนั้นเป็นปัจจัยท่านพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงอดทน แต่ไม่ใช่ว่าพิจารณาโดยไม่แยกคายให้โทสะเกิดขึ้นว่าแล้วแล้วไปเข้าใจว่าอดทนเช่นว่าโกรธ ด, ด้วยแล้วเราไม่พูดหรือว่านั่งเยเ้เฉยวิจารณาคนนี้ก็นั่งเยเ้เฉยยัยพูดกับมันเงี้ยสมวันเนี้ยนะอันนี้ไม่ใช่อดทนถ้าอดทนนี้คือพิจารณาโดยแยกคายก็คือเอาคำสอนของพระเจ้าเอากรรมฐานของพระเจ้ า, จามาเบียเสดมามาเป็นเครื่องดวงใจเพราะใจของเราในบางทีไป สมมุติว่าเราไปมองหน้าใครนี่นะแล้วเกิดโทรศัพท์ต้องเปลี่ยนนิมิตเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากปฏิฆะนิมิตเป็นเป็นอะไรเป็นเมตานิมิตเป็นนิมิตที่เป็นปัจัยเกิดเมตตาคือถ้ามองหน้าคนนี้ปุ๊บแล้วเป็นปัจัยเกิดโทรศัท์ก็มองก็ได้ถ้ามองันนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนนิมิตนะเปลี่ยนจากโทเปลี่ยนจากโทสะให้เป็นเมตตา พูดพูดมันยากใั่ไหมมันก่อนเ้าก็มาริยะหลังนี่เขาชอบไปอยู่ประเทศหนึ่งเขาจะไปกันอย่างประเทศภูฐานหรือภูตามที่มีกษัตริย์จิกมี่อะไรเงี้ยนะที่มาประเทศไทยเข้าประเทศนี้เป็นเมืองพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์ใคราก็ชอบไปมันแต่ไปแล้วค่าใช้จ่ายแพงมากเลยเมืองเขาจะเป็นเมืองที่มีแต่ป่าเขาลํำนาไปแนละ้วเขาอยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ เขายังยังสำรวจประชากรทั้งโลกเลยเขาบอกเป็นประเทศที่มีความสูงมากเลยอยู่นาอยู่ในเมืองแบบนี้เพอาเป็นเมืองพุทธหมดเจดีเขาต้องเป็นเจมีตรดีแบบมาหายาณเนี่ยนั้นถ้าเจดีมาหายาณโดยทั่วไปสังเกตถ้าเจอว่าไปเนี่ยจะวาเป็นเจดีก็จะมีดวงตาอยู่สี่ด้านอยู่ติทิศเลยเป็นตาคู่นะทิศละคู่หนึ่งเป็นดวงตาเขาจะว่าเป็นดวงตาพุทธเจ้าคนด้านนู้นก็มีด้านนี้ก็มีเห็นเวลาเข้าไปในบริเวณนั้นเบรเซ็ตเข้าว่า้วย ถามว่สร้างดวงตาไว้ทําไมเป็นเป็นเป็นคติบอกให้รู้บอกว่านี่อย่าทาชั่วนะเพราะพระพเจ้ามองเราอยู่เขาว่านนะะอะไรๆโพธิยามงที่จริงโดยหลักการตรงนี้เราก็ารู้อยู่นะว่าจริงๆโดยหลักการคือว่าทเทียบเทวดาหรือคนที่มีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายก็เห็นพฤติกรรมการกระทําของเราและที่สําคัญที่สุดคือเราก็เห็นอยู่ในส่วน บางแห่งเขาก็บางแห่งเ้าก็ให้ เ, หเขาจะมีรูปอนะไรเนี่ยเขาถ่ายมาเขาถ่ายมาดูกันปรูปชา้างรูปลิงรูปกระต่ายรูปนกช้างยืนอยู่แล้วก็กระต่ายยืนเป็นคอชา้าง แล้วก็เอลิงยืนก่อนแล้วก็กระต่ายยืนอยู่บนคอลิงแล้วก็นกยืนอยู่บนบนหัวกระต่ายแล้วก็กินช้างก็กินกินในกินหญ้ากินอะไรที่ตายจะกินต้นไม้เหมนกันกินใบไม้กระต่ายหรือลิงเป็นต้นก็กินลูกกินผลไม้กระต่ายก็กินยอดนกก็กินผลไม้ข้างบนนั้นเขาก็พูดในเรื่องให้สามัคคีสามัคคี ถ้าสามัคคีแล้วมันจะต่างคนต่างก็เขาเรียกว่ามีกินกันแล้วก็จะมีความสุขแต่ถ้าแย่งกันแล้วมันมันมันจะอิ่มเป็นบางคนแต่มันจะมีทุก ข, ข์ราวังเขาเลยพูดว่าเออขอนาหน่าจะมามามาเขียนไว้ในท้องคมไทยเยอะ ๆ, ๆ, ๆ, ๆอย่างนี้เท่าก็ยังว่าเขียนไปมันก็ไม่คิดกันประการต่อไปก็คืออาสวะที่พึงรักได้โดยการเว้น อาสวะที่พึงละได้โดยการเว้นอาสวะที่พึงละได้โดยการเว้นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมสวะพระาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาพระวะเหล่าไหนาที่พึงละได้โดยการเว้นลอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วหลีกหนีช้างที่ดุม้าที่ดุร้ายโคที่ดุร้ายสุนัขที่ดุร้าย หลีนีหลักตอสถานที่มีน้าบ่อเหี่ยวที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดโสโครกเพื่อนพอาจันผู้เป็นวิญญาชนทั้งหลายพึงกาหนดลงซึ่งบุคคลผู้นั่งนะัที่มิใช่อาสนะเห็นปานนั้นผู้เที่ยวไปในที่ที่มิใช่โคโจรเห็นปานนั้นผู้คบ ม, มิที่ลาโมกเห็นปานนั้นสถานที่ทั้งหลายอัลลามกกิจสุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเว้นที่มิใช่ อาสวะนั้นที่มิใช่โคจรนั้นและมิตรผู้ลาโมกเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิงอยู่อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นใจเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่เว้นสถานหรือบุคคลอันใดอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้เว้นรอบรอบอยู่ดูกนภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านั้นเราจะถากขดกล่าวว่าพึงละได้โดยการเว้นรอบ การเว้นรอบเนี่ยพิสูุไม่พึงอยู่ในที่ใกล้ช้างตัวดุร้ายด้วยคิดว่าเราเป็นสมณะดังนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการป้องกันเอิดพระบังรูปที่ที่ไปปฏิบัติกันที่เขาใหญ่จะโดนช้างกระทืบเหยียบตายนเนี่ยไม่อ่านสูตรนี้ให้ดีคือบางที่บางแห่งเนี่ยเขาต้องดูว่า ช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุงูหรือหลังต่อสถานที่มีนามบอยเหวพ็นต้นที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดโสโครและต่อมาคือว่าเพื่อนพรมจันคือคือสถานที่ต่างๆเหล่านี้ท่าในให้พิจารณาโดยแยกคายก่ออีกอย่างหนึ่งก็คือโอกาสเป็นที่รวมเปลือกตมของไม่สะอาด หือสถานที่ชั่วร้ายคล้ายกับมีอมนุษย์เป็นต้นเหล่านี้ท่านให้เว้นเสียเขาเรียกว่ า, อ า, อ, าอาสนะเหล่านั้นเป็นอาสนะที่ไม่สมควรก็ชื่อว่า อ, อนาสนะคือสถานที่ไม่ควรไปอยู่เช่นที่บางแห่งเนี่ยมูดุเยอะเหลือเกินพระบทใหม่ก็เฮ้ยเราเรียนกรรมฐ า, านสมมตินเนี่ยนะทั้งๆ ท, ท, ที่ใจทั้งตนเองก็ไม่ได้เป็น กรรมฐานจริงๆตนเองก็ไม่ได้หนักแน่นบารบมีทำจริงๆก็ยังไม่เพียงพอใดๆเลยเนี่ยแต่ต้องการไปวัดอย่างเงี้ยนะอย่างเี้ก็เจ็บปวดหรืออย่างเช้าบางองค์ที่ไปอยู่ทั้งเชียงใหม่ที่บางแห่งเป็นที่ที่เขากำลังนั่นผลประโยชน์กันเวลาไปอยู่ก็ถูกฆ่าตายเนี่ยที่ว่าโอ้ไปต่อสู้กับชาวบ้านเขาเพื่อจะรักษาป่ารักษาอะไรก็ว่าซึ่งซึ่งมันต้องเป็นกิจเพราะชาวบ้านเขาทากันใช่ไหม แต่พาพก็าไปขวามประโยชน์เขาอย่างนี้แล้วรกข้าวอีกอย่างก็คืออคโครจรทั้งหลายคือลาสุลาบ้างสถานที่ที่ไม่ควรไปสูบ่บางสถานที่อคโครจรทั้งหลายที่ท่องเที่ยวต่างๆเ่านี้หรือมิรชั่วที่เขาเรียกว่ามิรคือผู้ทู่สีทั้งหลายเนี่ยเพื่อนพรมอาจารย์ทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตคือผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้ ท่านก็บอกว่าเอออย่างนี้เป็นมิตรชั่วเป็นต้นเหล่านี้นั้นถ้าว่าไปคบมิตรที่ไม่ดีเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันจะเสียหายคือกามาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือทิฏฐาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอาวิชาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเป็นต้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เจริญไปบูญยิ่งขึ้นเพราะการเสกคบสมาคมกับคนไม่ดีทั้งหลายอันนี้ก็ต้องเป็นต้นประการต่อมาคือสถานที่ทั้งหลายที่ลามก คือสถานที่ที่ไปอยู่แล้วเป็นปัจจัยแก่การทาให้จิตเราเป็นบาปพิษุนั้นไม่เว้นบรรดาอันตรายมีช้างเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเหตุให้กรารมาสวะเกิดแก่ภิกษุผู้ประสบความทุกข์มีช้างเป็นต้นเหล่านั้นเกิดขึ้นในที่สุดจริงๆ ก, ก็เสียหายฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าอาสวะที่ปึงราดได้โดยการเว้น หนึ่งที่ที่ไปแล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่การทรําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดไม่ดีไม่ได้ที่ตรงนั้นก็ต้องเว้นถ้าบุคคลก็คือว่าบุคคลใดแล้วเราไปคบค้าสมาคมด้วยแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้เกิดราคาระตัวสัมมหหามากขึ้นเป็นปัจจัยเกิดการมาสวะภาวาสวะทิฐาสวะอวิชชาสวะมากขึ้นบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ควรไม่ควรคบแล้วต้องเว้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นพิจารณาเนี่ยที่จริง การเว้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ ท, ที่ที่คกนกระทำประการที่หกอาสวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทาพิสูจนทั้งหลายอาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้ด้วยการบรรเทาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมอดกลัน้นย่อมละย่อมบรรเทากามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วทําให้ศูนย์ทำให้ให้ถึงความไม่มีอดกลัน้นย่อมละ บรรเทาพยาบาทวิตกที่เกิดแล้วทําให้สูญให้ถึงความไม่มีย่อมอดกั้นย่อมบรรเทาพยาบาทวิตกที่เกิดแล้วทําให้สูญทําให้ถึงความไม่มีอดกั้นย่อมละย่อมบรรเทาวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วทําให้สิ้นสูญทําให้ถึงความไม่มีย่อมอดกั้นย่อมละย่อมบรรเทาทำที่เป็นบาปอกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วทําให้สูญให้ถึงความไม่มี ดูการพิกษจทั้งหลายอาสะวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นใจใเราใดเพงมันเกิดขึ้นแก่พิสูจนนั้นผู้ไม่บรรเทาทำอันใดอันหนึ่งอาสะวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นใจใหเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่พิสูจผู้บรรเทาอยู่อย่างนี้พิสูจทั้งหลายอาสะวะเหล่านี้เราจะถากตราว่าย่อมละได้ด้วยการบรรเทาตรงนี้ให้สังเกต ด, ดูก็คือพิจารณาโดยแยกคายแล้วก็เห็นโทษในการมวิตกโดยแยกคาย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 แล้วก็บอกว่าตอนนี้การมวิตกได้บังเกิดขึ้นแก่เราแล้วเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วในอารมณ์นั้นยกจิตขึ้นเสียแล้วให้กามวิตกหยุดอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ให้การมวิตกหยุดอยู่ภายในทิกสูงเมื่อยับยั้งไม่ได้จะทําอย่างไรเขาบอกว่าสมมุติเา้าวิตกนั้นเกิดขึ้นในใจมีการมวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วถ้าเรายับยั้งทําให้มันลุกรามไม่ได้ทํำยังไงเขาบอกว่าละคือทิ้งวิตกนั้นเสีย พูดเหมือนง่ายเหมือนกันในเวลาที่เราเกิดความอย่างเช่นการมวิตกเกิดขึ้นหรือพยาบาทวิตกเกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าถ้ามันละไอ้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจับยั้งมันไม่ได้เช่นแต่กอดใจเราไม่มีการวิตกไม่มีพยาบาทวิตกไม่มีวิหิงสาวิตกใชเป็นต้นคือหนึ่งไม่โลภไม่โกรธหรือว่าไม่คิดเบี่ยนเบียนคนอื่นเนี่ยแต่ต่อมาในวิตกเหล่านี้มันเข้ามาในใจ เมื่อเข้ามาในใจเบ็เสร็จนั้นเนะ่ยเราต้องนิบยับยังย้งใหญ่เป็นลูกเราวแล้วก็ค่อยละที่ทายละไม่ได้หรือยับยั้งไม่ได้ทิ้งมันเหมือนว่าเราได้ของมาใช่ไหมเรากบไว้เนี่ยโอโยนทิ้งไปพูดเหมือนง่ายใช่ไหมเช่นความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วมองเหมือนวัตถุน่ะทิ้งเลยโยนทิ้งไปคือไม่ใช่ไปจัดการให้เสร็จแล้วทิ้งคือว่าทิ้งไปเลยทิ้งความโกรธนั่นไปเลย ก็บอกว่าภิกษุจะทิ้งซึ่งวิตกเหมือนคนเอาตะกร้าตัดอยากเยืาะทิ้งหรือบอกไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกว่าภิกษุย่อมบรรเทาคือถอนได้แก่แทงหมายความว่านําออกไปซึ่งกามวิตกนะั้นถามว่าแทงเหมือนกับบุคคลเอาประตักแทงโครหรือเปล่าบอกไม่ใช่อย่างนั้นโดยที่แท้แล้วทํากามวิตกนั้นให้ย่อยยับไป ทำกาไมิตกนั้นให้ปราศจากไปได้แก่กาไม่ตกนั้นให้เป็นไปโดยที่มันไม่มีเหลืออยู่ภายในใจของท่านนี่เป็นอย่างนี้นะ คือโดยที่แท้ก็คือทำการมิตตกนั้นให้ย่อยยับไปคือให้ปราศจากโดยที่มันไม่เหลืออยู่ในภายในของภิกษุนั้นโดยที่สุดแม้แต่พระวังกัจิตก็ไม่มีอยู่คือจิตของคนเราเนี่ยกว่าที่มันจะมาเป็นความโลภได้เนี่ยแปลว่ามีเหตุปัจจัยไหมที่เหตุปัจจัยหลักๆเลยก็คือว่าหนึ่งเราละไม่ได้ เช่นเวลาเราเกิดความโลภหรือความโกรธหรือความหลงเป็นต้นนี้เวลาเกิดขึ้นมาพวเนี่ยเวลาสิ่งเหลนั้นหายไปแล้วมันไม่หมดเขาเรียกว่าคําว่าอนุสัยเนี่ยการมาราคานุใสยเป็นตนน้นเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดว่ามันมีเชื้ออยู่ใช่ไหมเพราะแต่ก่อนมันไม่มีแล้วอยู่ๆพอได้เหตุปัจจัยแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าเรายังถอน พวกกามาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้นเนี่ยในกระแสจิตออกได้ไม่เด็ดขาดมันเหมือนกับว่าเมล็ดพืชเนี่ยถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทำลายอย่างเหนียวเป็นต้นได้เนี่ยถ้ามาได้เหตุปัจจัยเมื่อไหร่มันก็ขึ้นใช่ไหมพวกเมล็ดพืชทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือมะขามมะม่วงเป็นต้นเนี่ย ที่มันสามารถขึ้นมาได้เพราะมันได้เหตุได้ปัจจัยที่จะขึ้นทีนี้มันยังไม่ขึ้นทั้งๆ ท, ที่ยางเหนียวมันอยู่เพราะว่าเราไม่เอาไปลงดินไม่ไปพรวนไม่ไปไปลดน้าําหวนดินหรือใส่ปุ๋ยมันก็ยังไม่ขึ้นที่ยกตัวอย่างเช่นเราเก็บไว้ในที่แห้งๆเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่วันนี้กิเตสบางอย่างของเราที่มันยังไม่เกิดเน<ม>เพราะอะไรมันยังไม่ได้ปัจจัยที่จะเกิดเช่นเรามาฟังธรรมเนี้ย เราฟังทำเราสวดมวนต์ตอนนั้นว่าใจเราก็สึกสบายปลอดโปร่งโล่งและเป็นกุศลไม่ใช่วันในขณนะนั้นเนี่ยมันหมดแต่พอมันไปได้เหตุปัจจัยเช่นไปได้อารมณ์ที่น่ารักน่าชอบใจขึ้นมามันก็ยึดติดแล้วก็ถือไปได้อารมณ์ที่เป็นปฏิฆะขึ้นมามันก็ไม่ชอบใจหรือไปได้เหตุไดไดอารมณ์ที่มันเป็นที่ตั้งในความหลงขึ้นมามันก็ไปหลงไ ป, ไปยึดติดอยู่นะ สแสดงให้เห็นชัดว่าจริงๆแล้วในใจของเราเนี่ยมันยังในกระแสะจิตของเราหรือในขันธ์สันดาลเนี่ยเรายังไม่สามารถขจัดสิ่งเหล่านี้ได้ยยยอย่างยกตัวอย่างเช่นกาบาวิโตมันเกิดกับใครเกิดกับบุคคลที่ไม่ค่อยพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่งามถ้ามาพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่งามมากๆหรือจเจริญอัสสุฟากรรมมาถามบ่อยที่สุดทีเนี่ยอะไรไม่เกิดรึมั้ยกามาวิโตกจัดไม่ค่อยเกิด แต่ครั้งมันไม่ค่อยเกิดในขนาดนั้นเนะี่ยไว้วางใจได้ไหยไม่ได้ถ้าตราบใดที่ว่ากระแสจิตของเราทิ้งกรรมาฐานก่าคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเลยนะในสุจริตมันก็กลับกลับมาเพราะว่าหนึ่งยังไม่ได้ละไดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนพยาบาทวิตกเหมือนกันที่ไม่เกิดกับคนที่เจริญเมตตาเป็นอัธยาศัยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจริญเมตตาอย่างเดียวจะละได้เด็ดขาดนะี พราถ้าหากไม่สามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาเจริญวิปัสนาเป็นต้นจนอบรมอรยิยมรรคให้เกิดขึ้นปะหารราคะโทสะโมหาได้ยังเด็ดขาดแล้วเนี่ยแสดงว่าแม้ในพระวังกับจิตของเราก็ยังมีอยู่ฉะนั้นในขณะที่เรานอนหลับนี่นะคนัวนี้ก็นอนหลับแล้วในตอนนี้ราคะโทสะมหาไม่เกิดจริงจิงแต่ไม่ใช่มันไม่มีนะที่มันตอนนั้นะที่ว่าอ๊ยดู นอนสบายใครด่าใครว่าก็ไม่ไม่โกรธเนี่ยนะเพราะไม่ได้ยินเป็นต้นวันนี้ก็เหมือนกับที่เราไม่เห็นซะเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับเราเขาไปทําผิดทําชั่วอะไรเยอะแยะถ้าเราไม่รู้ซะเนี่ยเราไม่โกรธเขาเลยนะคิดถึงเขาทีไรเราก็เออเมตตาเขามีความรักปรารถนาดีกันเขาไม่ใช่ว่าเราไม่มีกิเลสในการไปโกรธหรือไปโลภไปหลงในตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่มันมีอยู่ แต่พราบขาวว่าวโอให้เอาแล้วไอคนนะั้นไปทำเสียงหายขึ้นไหมแนละ้วมันเกิดแล้วเนี่ยโทษของการที่ละบาปอคุนอย่างนี้ไม่ได้เป็นทีนี้บอกว่าย่อมยางกาเมืตกนั้นให้ถึงความไม่มีคือให้ถึงความไม่มีไปทีละน้อยละน้อยทันว่าอย่างนั้นวิธีละนี่นะคือย่อมทำโดยประการที่วิตกนั้นเป็นอันเธอข่มไว้ได้ด้วยการด้วยวิขมานาประาาหารอกนี้ สมมุติว่าสมมุติบอกว่าถ้าถ้ากาบวิตกเนี่ยที่มันจะเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยวิธีจะข่มได้ด้วยวิคำพนักประหารทํำยังไงเขาบอกข่มได้ด้วยข่มได้ด้วยการเจริญสมาถะกรรมฐานยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าไป เอาเกษาเกสามาพิจารณานี่นะเออเอามาเจริญหรือว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอะไนี้มาเจริญเป็นต้นไปตามดับที่ใจก็พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอะไนี้มันเห็นเป็นของไม่งานในที่สุดจริงๆสามารถทําฌานให้เกิดขึ้ น, น, นได้คือได้ไปสมาชายแต่การไม่ตกจะถูกข่มได้ด้วยด้วยวิคัมมณัปบานแบบว่าโดยการกดข่มไว้ได้ แต่ถ้าหากว่าพิจารณาเห็เนโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นเหล่านี้สามารถละได้อย่างเด็ดขาดอันนั้นก็เป็นสมุชัยทัพานฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่เขาเล่าดได้ด้วยด้วยการเจริญสมาถกรรมฐานกับละได้ด้วยการเจริญวิปัสสนานี่เป็นอย่างนี้ที่นี้ว่าเกี่ยวกในเรื่องของวินยูชน บ, บิญญูชนเนี่ยหรือความว่าเพื่อนสมจารีทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตคือผู้สมบูรณ์ด้วยเป็นชื่อของภิกษุบอกอาสวะที่พึงละได้เนี่ยที่พึงละได้ด้วยการด้วยการบรรเทาเนี่ยเนี่ยบอกว่า ย่อมยังกาไว่ตกนั้นให้ถึงความไม่มีคือย่อมไม่ถึงความไม่มีไปเทละน้อยแล้วแปลว่าอะไรแปลท่านเน้นบอกว่าเออการละพวกกามวิตกทั้งหลายเนี่ยให้ทํากิจในการละไปเรื่อยๆให้ละไปเรื่อยๆจนถึงว่าวิตกเหล่านั้นมันไม่มีไม่มีแปลว่ามันไม่เกิด จะละได้ด้วยที่จริงการละ ด, ด้วยจะทางพ่าประหารได้ไม่ได้แต่ในที่นี้ท่านเน้นวิค้ำพนประหารแล้วก็สมุดเฉท้าประหารที่ท่านเน้นตรงนี้ก็ไว้ก็เพราะต้องการอยากจะให้รู้บอกว่าการละเนี่ยในวิพังท่างกาวว่าการมวิตกเนี่ยวิตกที่ปฏิสังที่ประกอบกับการคือความลำบิดผิด ท, ที่เชื่อว่าการมวิตกเนี่ยท่านบอกว่า ให้ละด้วยสมมติฐานอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วบาปอกุศลที่ประจักบโดยความเกิดขึ้นในกระแสจิตของตนว่าเราได้กระทําบาปอกุศลกรรมนี้ไว้ในการขอเป็นต้นเพื่อคจับเพื่อทําให้บาปอกุศลธรรมมีสภาพไม่เกิดในกระแสจิตของตนตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะปรินิพพาน ทีีการการตั้งอัธยาศัยในการที่จะรับาบาปเนี่ยท่านบอกว่าอุ ป, ปัป น, นาอุปัปณะปันเ น, ป น, นเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วอุบัติขึ้นแล้วพอแต่สักว่าเกิดขึ้นแล้วเท่า น, นั้นภิกษุก็บรรเทาอกุศลวิตกมีการมวิตกพยาบาทวิตตกวิหิงสาวทุกที่บังเกิดขึ้นคราวเดียวได้แล้วในวลาที่สองถึงเธอจะไม่ได้เพ่งเล็งเธอก็ย่อมบรรเทาอกุศลวิตตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว หมายความว่าเวลาละเนี่ยละครั้งที่หนึ่งละไปแล้วเวลาเกิดก็ละไปเรื่อยพยายามละเรื่อยไปเรื่อยๆไอการพยายามละไปเรื่อยๆหรือพยายามกันไปเรื่อยเนี่ยมาจากคำว่าละบาปที่เกิดขึ้นแล้วคือถ้าหากว่าเป็นการมวิตกเป็นต้นเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านได้เพียนละเพียนละคําว่าเพียนละในที่นั้นก็แปลว่าหาคําสอน ที่พระเจ้ากล่าวในเรื่องการแก้เขาถ้าเราเป็นพู้มากไปด้วยการวิตกก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานถ้าเป็นผู้มากไปด้วยพยาบาทวิตกก็เจริญเมตตากรรมฐานถ้าเป็นผู้มากไปด้วยวิหิงสาวิตกก็เจริญกรุณากรรมฐานวิหิงสาวเบียดเบียนเขาใช่ไหมแสดงว่าเราขาดการุณาเขาก็เจริญกรุณเขา ถาอว่าออพิจารณา ย, ยัางไงเราจิตธรรมัาจะคอยคิดเบียดเบียนสมไมเป็นเด็กเนี่ยชอบคิดนีด่ยชอบคิดเบียดเบียนเขาเช่นเราที่เราจะแข่งอะไรกับเขาเนี่ยเวลาเรจะวิ่งแข่งกับเขาเนี่ยเราก็จะนิยคิดเมื่อเขาเกิดหกล้มหรือว่าเขาเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยเร า, าเขาก็แพ้เร า, าในบรรดานักร้อง เ, เหมือนกันใช่ไหมเวลาเขาไปร้องเพเองเขาก็คิดว่าถ้าเกิดไอ้คนนี้เจ็บคอมาเลยเสร็จเราเนี่ย คิดเบียดเบียนเขาอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิหิงสาววิตตงเย็บผ้าคิดยัง <c oughs> ไงไปฝึกใจตัวเอแล้วก็ถ้าคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดยังไง <c oughs> แม่ถ้าบ้านนั้นไไนีเขาไฟไหม้เลยหรือว่าถ้าหากว่าไอ้เครื่องไอ้ที่เยบ็บจั๊กหรือเย็บผ้ามัพังหมดหรือหายไปเนี่เขาก็ต้องมาติดต่อที่เราอะไรเงี้ยเนี่ย คือคือบางทีบางทีความรู้สึกคิดในลักษณะนี้การแข่งขันทุกชนิดเนี่ยมันจะคิดแบบเนี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนีไหมเขาบอพอประเทศเวียดนามเกิดอุทกภัยเกิดวาตภัยเป็นต้นอะนี้ประเทศไทยยิ้มเลยบอกเราส่งข้าวออกได้มากอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นคิดเ บ, บียดเบียนเขาใชนี่เป็นวิหิงสาวิตรก็ ก็จะคิดเกี่ับลักษณะอย่างเนี้ยชาวโลกทั้งหลายก็ไม่มีกรุณาเลยนะบางทีเราก็ไปช่วยเขาเนะแต่ในขณะที่ไปช่วยเขาเนี่ยเราดีใจเนี่ยเพราะว่า <S <S เราจะได้ส่งข้าวออกไดปเข้าใจยังไงว่าถ้าถ้าคนขาด ก, การุณากันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นใจไม่แสดงออกซึ่งความเห็นใจไม่เห็นใจแต่มันเห็นใจแบบแปลกๆเห็นใจแบบประเภทที่มันไม่ได้น้ำใสใจจริงสักเท่าไหร่ก็จะเป็นอย่างนั้น นี่นีเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในในโลกใบนี้ก็จะเป็นอย่างเนี้ยคือคนที่ไม่ได้เจริญในอุโฒิธรรมกันทั้งหลายเนี่ยจะเห็นระหว่างรัฐต่อรัฐระหว่างประเทศต่อประเทศจนถึงระหว่างบุคคลต่อบุคคลถ้าถ้าไม่มีถ้าไอเป็นวิหิงสาวิตกไปคิดเบียดเบียนเขาก็จะคิดแบบเนี้ยก็ก็แย่งกันไปอย่าง น, น, น, นะประเทศติดกันก็จะขาดตรงนี้ นี่เขาเรียกว่าต้องบาปอกุศลและธรรมที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหนึ่งการมวรตกเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นก็ต้องว่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงบอสหนึ่งมันเกิดขึ้นประจักษ์ชัดในกระแสจิตของตนของเราแล้วเราได้กระทําบาปอกุศลนั้นไว้ตอนไหน ทำไมบาปอกุศลยังเกิดขึ้นในกระแสะจิตเราในขณะ น, นี้โอ้เราเคยทําไว้ในอดีตทีนี้บาปอกุศลที่เคยทําแล้วในอดีตเนี่ยมันเข้ามาเกิดในใจของเราเนี่ยเรายัางละไม่ได้บาปต้องเพียนเขาใช้คําว่าประหาปรปหานายะเพื่อขจับเพื่อทําให้บาปอกุศลมีสภาพเกิดไม่เกิดในกระแสะจิตของเรา เขาบอกจริงๆวิธีการจะละบาปเนี่ยเขาตั้งอัตยาสัยกคนนี้ ย, ยกตัวอย่างเช่นไปทําผิดมาแล้วเนี่ยก็สมาทานในใจเลยวราะพูดออกมาเลยก็ได้ถ้าเป็นพระเนี่ยเขาเขาเขาพูดเลยเ ย, ยกตัวอย่างเช่นพระไปต้องอับบาปหว่าเออกาลังฉันอยู่แล้วพูดมีมีข้าวอยู่ในปากเป็นอับบาพระท่านก็ไปแสดงไปบอกกับเพื่อนพ ม, มาจาย์ัพริอมมาจารย์ด้วยกันเนี่ ย, ยไปบอกว่าเออข้าพเจ้าเนี่ยได้ต้องอับบา ในการที่ขาดการสํารวมระวังในขณะที่กินอาหารไว้นี่เนะข้าวอยู่ในในปากกับพูดผิดพุทธบัญญัติฉะนั้นให้ใ ห, ให้ท่านจำเข้าพระเจ้าไว้เป็นผู้ต้องอาบัติเนี่ยแล้วต่อไปข้าพระเจ้าจัดสารวมว่าไหมนะจัดสารวมทางกายสํารวมทางวาจาสํารวมทางใจต่อไปคือจะระมัดระวังจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกถ้าอีกรอบหนึ่งท่านบอกสาธุ ด, ดีแล้วสาธุ ด, ดีแล้วสาธุ ด, ดีแล้ววันพรุ่งนี้ไปทำต่อก็ไม่ใช่นะ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 บอกเพื่อนเงนก็ได้เองเลบอกเออเนี่ยเมื่อวานนี้ทาผิดไปซะแล้วเนี่ยเออต่อไปจัดสํารวมระวังใหม่เพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกเออดีแล้วให้ระมัดระวังนะใช่ไหมอ่ะทํ า, าทผิดเอาไหนบอกแล้วทำไมถึงมีความอะไรอย่างเงี่ยประการต่อมาคืออนุ ป, ปันนานังที่ยังไม่เกิดขึ้น คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่ไม่เคยประจักษ์ว่าได้เคยเกิดขึ้นแล้วในกระแสะจิตขตั้นต้นแต่ประจักษ์เพาเห็นหรือได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นไอ้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยพอกามวิตกมากมากเนะี่ยที่ผิดมากๆเนะ่ยหรือบางอย่างเนะยหรือพยาบาทวิตกเป็นต้นบางอย่างกรรมบางอย่างเนี่ยนะพวิตกทั้งหลายที่มันยกตัวอย่างเช่นว่า การฆ่าการทำลายการเบียดเบียนคนอื่นเขาแบบรุนแรงรุนแรงเนี่ยเราได้ยินข่าวใช่หมบอกโอ้โหคนนั้นไม่น่าเลยเทําไมคนนั้นโลภขนาดนั้นนะทไม่โกงขนาดนั้นทําไมอยากได้สมบัติของคนอื่นขนาดนั้นนี่ทําไมคนค น, นั้นถึงสามารถกโกรธแล้วฆ่าคนได้อย่างวิจิตพิสดารอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรยังไม่เคยเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าเคยได้ยินมาอยเงี้ย อันนี้เขาบอกว่าต้องเป็นอนุ ป, ปาทายะคเพื่อห้ามเพื่อขจัดมูลเหตุแห่งการเกิดขึ้นของวิตกเหล่านั้นใข้ครวญบอกว่าออการมวิตกรยาบาววิตกวิถิงสาวิตกหรืออคุโสลธรรมทั้งหลายเนี่ยที่ทําให้เราสัตว์สั่งสมกิเลสหรือบาปอย่างนี้ยังมีอยู่ในเราเสมอเนี่ยเรายังไม่พ้นจากบาปอคุโสลธรรมเหล่านั้นเราอาจจะก่อให้เกิดกิเลส หรือกรรมนั้นในกระแสจิตของตนในวันพรุ่งนี้มารืนหรือในภพอื่นก็ได้วิธีคิดเขาคิดแบบนี้เช่นนี้ว่ากรรมวิตรก็รยาบาดวิตรวิหญิงสาวิตกเนี่ยที่ยังไม่เคยเกิดกับเราเนี่ยแต่จะเกิดกับเราในวันนี้วันพรุ่งนี้วันมาลืนนี้หรือในพบหน้าต่อเป็นต้ต่อไปก็ได้ถ้าบอกต้องรีบห้ามสิเขาสอนใหไ้ไม่ให้ประมาต์ประการต่อมาตรงนี้ก็คือว่า อาภูศนวิตกแต่แก่กามวิตกหรือมหาวิตกทั้งหลายเหล่านี้นะวิตกถึงยากวิตกถึงชนบทวิตกถึงเทวดาวิตกที่ประกอบไปด้วยความเป็นผู้เอนดูต่อผู้อื่นวิตกที่สัมพยุทธ์ด้วยลาบสกาลักษเกียรติยศวิตกที่ปฏิสนุยได้สิ่งอื่นอื่อาสวะและความเร้าร้อนความคัลั่งใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้บรรเทาไม่ได้ซึ่งวิตกทั้งหลายเหล่านี้ เขาบอกว่าเออจริงๆไงบรรดาวิตกอะไรเนี้ยเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทียกตัวอย่างเช่นบางทีเราคิดถึงญาติคิดถึงญาติบางทีเราก็เกิดกามาวิตกนะบางทีก็ปยายามวิตกไม่พอใจบางทีก็แหมญาติคนเนี้ยคิดเบียดเบียนเขาดีคิดถึงชนบทเป็นไปได้ไ้ยคิดถึงที่ของบุคคลอื่นหมู่บ้านของคนอื่นที่เขาอยู่กันจะมันเราเกิดชอบใจทั้งนั้นก็ได้ กินแล้วโกรธก็ได้คนๆนี้มันย้ายดีอยู่ตรงนั้นเด้เราจะย้ายไปก่อ น, นไม่ได้ย้ายเป็นตัวเหล่านี้หรือวิตกทั้งเทวดาุูชอบใจเย้ั้มวิตกที่ประกอบด้วยความเป็นผู้เอ็นดูต่อผู้อื่นเป็นต้นเหล่าเนี้ยหรือราบสกาละสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นวิตกที่วิตกนั้นเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีในที่นี้ท่านเน้นให้ให้เจริญกุศลวิตกแล้วก็ให้ละ อากุศลมิตกเป็นต้นดังที่ได้เคยกล่าวมาในลนักศดรประหาตับพาเพื่ออาสวะยิการากาไไดังกล่าลไว้แล้วเนี่ยหมายความว่าท่านให้ละให้บรรเทาก็คือวิริยะสังวร น, นี่เองวิริยะสังวรก็แปลว่าพิจารณาเห็นโทษเห็นโทษของวิตกแลคนที่จะมีวิริยะสังวรได้เนี่ยคือคนจะมีความเพียรได้นี่เนี่ย ที่ต้องไปมีการเปพิจารณาเห็นโทษนพิจารณาเห็นโทษเห็นโทษของอะไรที่บอกว่าย่อมละย่อมบรรเทาทําให้สูญสิ้นไปพิจารณาโดยแยกคายแล้วอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทาการมวิตกพิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทาพยาบาทวิตกและก็วิหิงสาวิตกทําให้สูญสิ้นไปให้ถึงความไม่มี ตรงนี้ต้องใช้ความเพียรความเพียรที่จะละตรงนี้ได้ต้องเป็นสัมมาวายามะมัตตต้องเป็นวิรยิยะสามพอ่อชงเป็นต้นเอะไรเมื่อสัมมาวายามะก็ดีมัตตก็ดีวิริยะสัมโพอ่อชงเป็นต้นก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็พิจารณาแล้วก็พิจารณาโทษโทษของอะไรโทษของสังสารวัฏเป็นต้นเอะไรนีน่ประการต่อมาก็คือว่าประการที่เจ็ด อาสะวะที่พึงละได้โดยการอบรมอาสะวะที่พึงละได้โดยการอบรมนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิสูุ์ทั้งหลายอาสะวะเหล่าไหนที่พึงละด้วยการอบรมดูก่อนภิสูจนทั้งหลายภิกษจนในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อความสลัดออก แล้วก็เจริญธรรมวิจยตสัมโพชงวิริยาสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงเจริญสมาธิสัมโพชงเจริญอุเบกขาสัมโพชงอนาสัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อความสดัดออกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 การเจริญพุทธชงทีนี้การเจริญพุทธชงเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสยังไงในโพุชังค่ะบอกบอกว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชทธชงเขาบอกว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพุทธชงเนี่ยให้พิจารณายังไงว่าพิจารณาบอกว่าสติสัมพุทธชง มีอยู่นาภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพสชงมีอยู่พระนภาในจิตเมื่อสติสัมผัชชงมีอยู่เอไม่มีอยู่นภายในจิตก็รู้ชัดว่าสติสัมผัสชงไม่มีอยู่นาภายในจิตอันหนึ่งสติสัมโพสชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยแล้วก็สติสัมผัสชงที่เกิดขึ้นแล้วจักเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัด ประกาศนั้นด้วยเป็ต้นนี้นะธรรมวิทยาสัมพ่อชงวิทยาสัมพ่อชงปีติสัมพ่อชงปัสสติสัมพ่อชงสมาธิสัมพ่อชงและอุเบกขาสัมพ่อชงก็ในญาติอย่างนี้นะก็รู้ชัดบอกว่าเออถ้าพ่อชงเหล่านี้มีอยู่ภายในจิตก็รู้ชัดว่าพ่อชงเหล่านี้มีธรรมวิทยาสัมพ่อชงจนถึงอุเบกขาสัมพ่อชงเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะก็รู้ชัด แล้วก็ถ้าไม่มีอยู่ในภายในจิตก็รู้ชัดด้วยแล้วโพดชงเหล่านั้นจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยแล้วโพดชงเหล่านั้นมีสติสามโพดชงเป็นต้นเนียจักเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยลักษณะอย่างเนี้ยก็ไปศึกษาบอกว่าโคดชงนี่นยมีสติ คำว่าสัมโพชงเพ่อเป็นองค์แห่งสัมโพธิธรรมสามโพธิธรรมสามัคคีนั้นด้วยเหตุนั้นท่านถึงเรียกว่าสามโพชงสัมโพชงเป็นตคือสติเป็นต้นเลยเนี่ยสติสัมโพชงมีอยู่นภายในจิตย่อมรู้ชัดสติสัมโพชงมีอยู่นภายในจิตเมื่อสติสัมโพชงไม่มีอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าสติสัมโพชงไม่มีอยู่ภายในจิต สติสามพุทธชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นเดือนทีนี้สติสามพุทธชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการต่อมาคือว่ามีอยู่เนี่ยสติมีอยู่เนี่ยคำว่ามีอยู่ในที่นั้นแปลว่ามีพร้อมอยู่โดยประการที่เราได้เจริญเช่น <uld ierte> ในขณะที่ระลึกหรือเจริญสติปฐานเบตเตอร์นี้ตอนนั้นแสดงว่าสติมีอยู่คือมีพร้อม แล้วก็ได้สตินั้นมาแล้วองค์ธรรมของคําว่าสติสามโพชฌงค์เขแบบองค์แห่งความเป็นอัรุคือสติเนี่ยถ้าไม่มีก็ก็ต้องรู้ว่าเออตอนนี้เรายังไม่ได้สติมาโดยมากในเวลาสติจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยบางคนลืมสังเกตใจของตัวเองไปใช่ไหมว่าไปตอนนี้มีสติหรือไม่มีสติใช่ไหมบางทีเราดูลมหายใจเข้าออกบางทีดูไปอย่างไง ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้สติไม่ได้ถึงพร้อมด้วยสติสติสัพพุชงเปิดต้นไม่ได้เกิดฉะั้นต้องสังเกตตรงนั้นต้องมีอะไโยนิสโสมนัสิการพิจารณาแยกขายว่าตอนที่สติมีอยู่ในใจทหมการจะรู้ว่าสติสัพพุชงเนี่ยมีอยู่ในใจหรือไม่เนี่ยพระเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทําเป็นที่ตั้งเห็นสติสัพพุชงมีอยู่มีอยู่คืออะไรหนึ่งการทําให้มากซึ่งโยนิสโสมนัสิการในสติสัพพุชงนะั้น อันนี้เป็นอาหารนี้เป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดอันนี้เป็นทางไปบุญเป็นทางเจริญบริบูรณยิ่งๆไปแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสรุป ก, ก็คือว่าหนึ่งโยนิโสมนัสิการการมีโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยกขายเป็นการถ้าสติไม่มีเรียกเขาเรียกสติเขามันต้องรู้ด้วยตอนเนี้ยอย่างเมื่อเรานั่งอยู่ตอนเนี้ทันสติมาไหม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 ทำสประการย่อมเป็นไปเพราะการเกิดขึ้นแห่งสติ1สติสัมปชัญญะสองเว้นบุคคลผู้หลงลืมสติ3การคบหาบุคคลผู้มีสติมั่นคง4ี่การน้อมจิตไปในสติสำเพั่อชมแล้วก็คำว่าสติสัมปชัญญะนั้นก็คือสติในฐานะเจมีการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นเช่นใช่ไหมเวลาการก้าวไปและการถอยกลับ นั่นคนที่จะมีสติสัมปชัญญะได้ดีก็คือคนเขาฝึกสติเช่นในชีวิตในการที่จะก้าวไปแล้วก็จะถอยกลับในการที่จะเหยียดในการที่จะโค้เข้าละเอียดออกเห็นไหมในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับนั่นิน่งเป็นถ่ายอจจาระปัสสวะในการกินการดารารื่มการเคี่ยวการลิ้นเป็นต้นเหล่านี้โดยสรุปก็คือว่าหนึ่งการเดินไปการก้าวไปการก้าวไปการถอยกลับ เหมือนการนั่งอยู่เนี่ยโยกไปข้างหน้าชื่อว่าก้าวใช่ไหมโยกกลับมาข้างหลังชื่อว่าถอยกลับเคื่อเราเคยมีเราจะนั่งหนนะ้าที่ตรงไหนเนี่ยเราเวลาเราจะโยกหน้าโยกหลังโยกอะไรกลับเนี่ยเรามีสติในการระลึกก่อนในการที่จะทําให้สติสามั ญ, ญญาเป็นไปในขณะนั้นโดยมากเราจะทําตามความเคยชินของเราเนี่ยบางทีปากเราก็พูดอีกอย่างใจก็ไปใส่ใจอีกอย่างใช่ไหม ในขณะนั้นเราจะทํากิจอีกอ ย, อ, ยอย่างหลายๆพวก้องกันนี่อันนั้นน่ะเป็นเหตุยอย่งการไม่ได้สติสัมปชัญญะทั้นคนที่เขาจะได้สติสัมปชัญญะแปล ว, ว่าเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยสติที่ต้องเป็นไปกับการการะทำอนนั้นเป็นต้นแล้วประการที่สองก็คือการเว้นถ้ารู้ว่าคนคนนี้ยเป็นคนขี้ลืมมากๆเป็นคนไม่ค่อย เป็นคนหลงลืมเป็นคนไม่เจริญสติปัฏฐานเป็นต้นไม่คไ ม, ไม่ไม่เจริญพุทธานุาสติเป็นต้นคือใจของคนคนนี้ไม่อยู่กาขามาถามเขบอกห่างๆคนเวื่อนที่ว่าแต่ถ้าหากใครก็แล้วแต่นะที่เป็นคนที่มีสติมั่นคงเป็นคนที่เจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเหล่านี้ยเราเข้าครอบหาบุคคลนั้นแล้วก็น้อมประการที่ 4, สี่ที่สาคัญก็คือว่าน้อมจิตความเป็นผู้น้อมจิต ไปเพื่อตั้งสติไว้ในียาบททั้งหลายเห็นไหมเป็นการน้อมจิตไปในสติทั้งหลายก็หมายความบอกว่าน้อมจิตไปเพื่อตั้งสติไว้ในียาบทมีการยืนการเดินการนั่งการนอนก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌเกิดขึ้นแล้วโดวยอาการสี่ประการนี้ก็จเจริญบริบุญแล้วก็ในส่วนจริงก็จะเป็นปัจจัยแก่การ จเจริญมั่นคงของสติเป็นต้นเหล่านี้ได้ฉะนั้นตรงเนี้เป็นเรื่องที่ถามว่ายากไหมในการจเจริญสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นที่จริงถ้าหากว่ามีมีวิธีการที่ท่านบอกว่าองค์ธรรมแห่งการรัตตุลูกุติเมื่อสติจเจริญไปบูรดีด้วยการเกิดขึ้นในอารมณ์ของตนสี่อย่างนี้กาย การเจริญกา ย, ายนุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตาและธรรมานุปัสสนาเป็นต้นเลยก็คือการเจริญสติเป็นต้นนั้นก็ไปพิจรารณาดูนะว่าเออสติสัมโพชฌงจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยด้วยาการยิงเอออาการต่อมากคือว่าธรรมวิจยะอันนี้เป็นชื่อของปัญญาเนี่ยธรรมวิจยะสัพโพชฌงมีอยู่นะครัในจิตก็รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงมีอยู่ภายในจิต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 ดูก่อนพิกษจทั้งหลายทำที่เป็นกุศลอกุศลทำที่มีโทษไม่มีโทษทำที่ควรเสพไม่ควรเสพทำที่เลวทำที่แปลณี้ทำที่เทียบด้วยธรรม ด, ดาและธรรมที่เทียบด้วยธรรมขาวการทําให้มากซึ่งโยนิสมานาจิการในธรรมเหล่านั้นอันนี้เป็นอาหารเป็นการเกิดขึ้นของขอ ง, ของธรรมวิทยาสัมรวจชงที่ยังไม่เกิดและเป็นทางไปบุญเป็นทางเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปของธรรมวิทยาสัมรวจชงที่เกิดขึ้นแล้วด้วยแล้ตรงนี้สําคัญก็คือว่า คิ่ให้บ่อยๆเช่นอันนี้โลภะโทสะโมหนะนี่เนี่ยเอามาคิดบ่อยๆเอออันนี้อันนี้ความไม่โลภความไม่โกรธอันนี้ปัญญาเนี่ยนแยกกันไหมเอออย่างเช่นว่าโลภะทิฏฐิมานะนี่อกุศลโมหะาอาหิริกะอนตุตตะปาอุทธัจะอันนี้อกุศลโทสะอิสามัฉริยะนี่อกุศล หรือถีนาะมิทะนี่อกุศลนี่นะวิจิกิจฉานี่อกุศลโอ้นีบาปอากุศลแล้ทำมันลามกกายทุเจริตวจีทุจริตมโนทุ์จริตฆ่าสัตว์รักษะประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอ้อโลกพยาบาทแล้วประเหนผิดโอ้อันนี้เป็นอกุศลหรือว่ามิฉา ที่ฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาธิเออนี่อกุศลเนี่ยอกุศลแล้วก็มาแยกว่าแล้ว<สะ>กุศลล่ะกุศลก็อ๋อเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกางความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเห็นไหมแล้วก็เออสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสาัมมาอาชีวามิจฉาวายามาสัมมาสติสัมมาสมาธ เริ่มแยกโอ้นี่เป็นกุศล น, นี่เป็นอกุศล น, นี่แยกรกณะนี้ฉะนั้นการพิจารณาแยกแยะบ่อยๆมันดีไหมดีดีตรงไหนมีโยนิโสมนสศการในธรรมเหล่านี้มากๆเป็นเป็นอาหารเข้าใจเขาว่าเป็นอาหารเข้าใจไห คำว่าอาหารในที่นี้ก็แปลว่าคือสติก็ดีปัญญาก็ดีเนี่ยธรรมวิทยาสามพุทธชงเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เขาต้องต้องได้อาหารก็เหมือนมนุษย์เราจะเจริญเติบโตจะมีจะต้องมีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายที่ปัญญาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้อาหารเขาเกิดไม่ไ ด, เเ ด, ไได้เขาโตไม่ได้หรอกทีนี้ที่ผ่านมาในชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่ผ่านมาทําไมมันลึกอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมหลงหลงลืมลื ม, ลมเลยสรารพัดนี่า เพราะเราไม่ได้หยอดอาหารให้เขานี่เราไปตัดอาหารเขามันผอมหมดเลยเลยร่างกายอ้วนแต่สติผอมปัญญาผอมใช่ไพระเจ้าบอกว่าโอ้เนื้อหนังท่านนิดๆเนื้อหนังเธอเจริญได้เหมือนนแต่คุณธรรมมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นไม่เจริญเลยผอม จริงๆก็คือเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารของปัญญาอะไรเป็นอาหารของสติเนี่ยทำที่เป็นบาปทำที่เป็นบุญเนี่ยอันนี้เป็นอาหารของสติข้อแรกทำที่มีโทษและทำที่ไม่มีโทษอันนี้ก็เป็นอาหารข้อที่สองเขาต้องรู้ด้วยว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอกุศลกรรมทั้งหลายราคาโทสาโมหะเป็นต้นเนี่ยเป็นธรรมที่มีโทษกายสุจริตมโนทุจริตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหรือกุศลธรรมทั้งหลายนะ การให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนการอนุโมทนาส่วนบุญการให้ส่วนบุญการฟังธรรมการทำความเห็นให้ตรงเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นธรรมที่ไม่มีโทษเนียนะก็เริ่มมาแยกย่อยอันนี้เป็นอาหารของอะไรเป็นอาหารของธรรมวิทยาสัมพวชงทำที่ควรเสรและทำที่ไม่ควรเสรอันนี้ต้องไปแยกยาว เ, เลยตรงนี้ทำที่ควรเสรและทำที่ไม่ควรเสร็เช่น ยกตัวอย่างเช่นนะรูปที่สวยๆเนี่ยจริงๆนะ่ะจะนั่นไม่ใช่เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งหรือรูปที่ไม่สวยเป็นต้นต่อเนี้ยหรือเสียงที่เพราะกับเสียงที่ไม่เพราะเป็นต้นเนี่ยอันไหนควรเสพหรือไม่ควรเสพไม่ใช่เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งนะเอาสิ่งที่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดราคาโทรศัพโมหะเป็นตัวตั้งเช่นบ้านเนี่ยเราอยู่บ้านนี้แล้วเนี่ยบาปอาเถอะและทำมเกิดมากอย่างนั้นไม่ควรเสพก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ ไม่จะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบ้านไม่ไหวเลยเหมือนกันเราไม่ชอบคนนี้ถ้าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนคนนั้นไม่ใช่แต่มันโหยุ่งเลยนะคนที่มีครอบครัวเนี่ยมีสามีเป็นสามีเป็นภรรยามีลูกอะไรแบนี้โอ้ไม่ไหวตั้งแต่คุณอยู่กับคนนี้ราบากเกิดเปลี่ยนคนใหม่อย่แลปวัุบัตยเนี่ยแล้วมาพูดเจ้าสอนไว้ถามบอกว่า ถ้าอยู่กับใครบาปเกิดเยอะให้รีบหนีแต่ทำไมมาใช้กับครอครัวได้บ้างโอ้โหวุ่นวายกันหมดเลยเลยเนะี่ยเพราะมันจะถูกใจอยู่แว บ, บเดียวยังไม่มนุษย์เลยนะถูกใจอยู่แว บ, บเดียมองไปมองมาเดี๋ยวก็เห็นข้อบอกพร่องกันเยอะแยะหมดแต่ก่อนมันก็ดูดีพอมาดูใกล้ๆก็แย่นั่นก็เสียนี่ก็เสียเสียเยอะไปหมดเป็นปนัญหาอะไรทุกคนนี้ไหม่ ม, มันดีกันหมด คือคือยามรักยามยามเกิดความพอใจขึ้นมามันปิดหมดเลยใช่ไหมสิ่งที่ไม่ดีก็ปิดแต่พอไอ้ตรงนั้นมันยังจางหายไปมันโผล่ขึ้นมาหมดเลยเตอเนี้ตอนนี้เอ๊ะมองได้อย่างงั้นแต่ก่อนมันนั่งสงสัยตัวเองอยู่ตั้งนานเลยเอ๊ดีได้ไงเคยเป็นไหมมองเอ๊ะดีได้ไงแล้วตอนนี้มันโอโหมีจุดเสียเยอะยะที่จริงเขาไม่ให้เปลี่ยนแตน่ถ้เาเปลี่ยน เปลี่ยนความรู้สึกเพราะว่าเพราะว่าในขณะที่ว่าคนเสพหรือมีควเสพแปลว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันบาดออกโจรมันเกิดก็เปลี่ยนนั่นทำที่ควรเสพอย่างสุขเวทนาเนี่ยนะถ้าสุขเวทนาที่อิงกรรมคุณอันนั้นก็ควไม่ควเสพแต่ถ้าสุกเวทนาที่อิงเนี่กรรมมาอันนี้ควเสพทั้งทั้งที่สุขเวทนาเหมือนกันยังไง แต่ถ้าสุขเวทนามันน้อมก็หากรรมมคุณน้อมหมารูปเสียงกลิ่นแล้วเนีนี่ไม่ควรแต่ถ้าสุขเวทนาน้อมหาทานกุศลสิ้นกุศลเบานากุศลนี่ควรเสพที่จริงก็คือสุขเวทนานั่นแหละมันควรเสพขมี้มีควรเสพขมิ้นทุกเวทนาเหมือนกันที่มันน้อมกาหากรมคุณเนี่ยนี้่มัควรเสพถ้าน้อมก็หาเนคกรรมมาก็ควรเสพอุเบกขาเวทนาก็อย่างเงี้ยถ้าเป็นอุเบกขาเวทนาที่น้อมก็หากรมาคุณก็น้อมก็หาเนกรมมาแล้วก็หาที่เป็นเนคกรรมอันนี้ก ที่จริงการเปลี่ยนนิมิตเนี่ยมันเปลี่ยนยากใหม่ๆแต่ถ้าเปลี่ยนได้แล้วก็สบายใจมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ก็จึงเป็นคนแบบนี้มาตั้งประเด็น่ะทําไมคนคนี้จึงเป็นแบบนี้ก็มานั่งคุยพราเขาบอกว่าเอ้าแล้วทําไมโยมต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าโยมไปสงสัยคนอื่นบอกว่าเอ้อทํำไมคนคนนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องบอกเอ๊ะทาไมโยมเป็นอย่างนี้ ถ้าไปตามแบบนี้เอ๊ะทาไมคนนั้นถึงทาชั่วคนนั้นทำไมถึงทำดีถ้าไปตั้งประเด็นอย่างนี้มันก็ไปเลยทีนี้ปัญหาจริงๆก็คือว่าอัธยาศัยที่เขาสั่งสมมาอย่างไรก็าก็เป็นอย่างนั้นเออถ้าเรารู้ฐานเขาฐานความเป็นปจริงเช่นคนบางคนเนี่ยเขาจิตน้องไปทางบาปมากบางคนก็น้องไปทางบุญบางคนก็ทั้งบาปและบุญเกือกลั้วกันอย่างนี้นะบางคนก็บาปมากกว่าบุญบางคนก็บุญมากกว่าบาปบางคนก็เหมือนบุญด้วยส่วนเดียวบาปด้วยส่วนเดียวเด่นส่วนมากนี่ อัธยาศัยที่เขาสั่งสมมาก็ถ้าเป็นแบบนั้นนี่ปัญหาเราที่มองแล้วเราที่ไปคบค้าสมาคมที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเอออันไหนเป็นอกุศลอันไหนเป็นกุศลอันไหนมีโทษอันไหนไม่มีโทษอันไหนควรเสพอันไหนไม่ควรเสพอันไหนเร็วอันไหนประณี่อันไหนเป็นธรรมดาอันไหนเป็นธรรมขาวก็ต้องไปแยกแยะพอเราแยกแยะแล้วเราจัดได้เสพปัญหาจริงๆก็คือว่ากระแสจิตของเราเวลาเรามองคนทําชั่วเนี่ยเออมันคิดยังไง เห็นคนทำบาปแล้วก็ทุกข์เห็นคนทำดีแล้วก็ชื่นชมยินดียึดติดนี่ไปใหญ่เลยแต่เนี้ยเราเองการเป็นผู้ที่เจริญธรรมาวิทยาสำโพชงไม่ถูกอีกถ้าจะเจริญธรรมาสำโพชงให้เกิดก็คือให้รู้ว่าคนคนนี้ทำบาปอกุศลมีเท่ทาทันที่มีโทษไม่ควรเสีเป็นทรรที่เลวเป็นธรรที่ดำไปแยกไป น, นี้เป็นอย่างนี้ ทีนี้พอรู้อย่างนี้เบ็ดเสร็จก็คือว่าเออที่เขามีอธัธยาศัยอย่างนี้มาเพราะเขาสั่งสมบาปอกุศลมากก็จึงเป็นแบบนี้นี่คืเรื่มเข้าจังนโกรธเขาดีไหมเอาไหมดีถ้าโกรธก็แสดงว่าเราจเจริญอกุศลแสดงเราทํามีธรรมที่มีโทษแล้วเรากําลังอยู่ในธรรมที่ไม่ควรเสพและธรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับเราเป็นธรรมที่เลวและเป็นธรรมดาด้วยให้คนเป็นทุกข์นี่จบเลยไหม เราก็เริ่ไมไปคิดเป็นอะโอเขาคิดกันอย่างนี้นี่เองที่เขาเจริญธรรมะวิทยาสามโพชงเบื้องต้นนี่ถามว่าถ้าไม่เจริญแบบนี้ในชีวิตจริงเราจะอยู่ในสังคมยังไงที่เราจะได้บุญมันจะไม่ได้บุญเลยนะเพราะมันจะติดขัดไปหมดแล้วมองอนะไรในติดขัดไปหมดเลยแล้วจะมีเรื่องในการที่เวลาเจอหน้ากันพุบเนี่ยเราจะมีเรื่องนินทาคนอื่นได้เยอะ เรจะตำหนิว่าเหม้คนนั้นไม่ได้ไงพระอ่านข่าวหรือพินโตขมาโอ้โหคนนี้ชัว่วจริงๆเออไปแล้วนะคือเขาบาปก็พอแรงอยู่แล้วแล้วก็ไปร่วมบาปกับเขาอีกวันก่อนก็ยังบอกเยอะเพราะผว่าเขามีงานกระจัดกันโยอก็มานล่าเรื่องบางเกระจัดอะไรเขาภาษาพวกก็ทำยังไงเออเขาจะมีการโยนให้ทานแบบว่าโยนแล้ให้ไปแย่งกัน กะถามประเพณีคนทิ้งคนละถามทำไมเป็นการทําบาปที่ขาดปัญญาเออทาบุญที่ขาดปัญญ า, ากระทำมาขาดปัญญาคือให้ดีก็จะให้ทานเลยก็ไม่ให้ให้กันเหมือนนันใช่ไหมให้คนเหยียบกันตายเงี่ยมันไม่ถูกเหมือนเหมือนกับไปอินเดียเนี่ยพอจะขึ้นรถป๊ก็เบี่างของรอย่างรถบางทีแทบจะอย่างนี้ไม่ดีครับมันก็ขาดและเบียบมันมันในคนแรกอะ คนแรกที่ให้ไปให้แบบนี้คนก็เห็นดีวิธีให้แบบนี้มันจะต่างอะไรจะไม่สมัยก่อนเวลาเขาจะบวชพระเนี่ยในยุคเริ่มต้นเลยเนี่ยที่ว่ามีเศรษฐีท่านหนึ่งเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนารวยมากก็ทิ้งสมบัติไว้หมดแล้วตนเองก็ไปท่าเรือไม่เอาเงินทองไปเล ย, เยแต่กลัวเรือจะออกหนึ่งเดือนก็ด้วยการที่ตนเองเป็นคนฉลาดก็ทาการค้าระหว่างท่านั้นหนึ่งท่านนี้ ได้เงินไปเป็นพันห่าปะนะนั่งเรือไปไปถึงที่โน่นก็จะบวชพระเขาบอกว่าเออถ้าจะบวชนี่าห้ามถือเงินและทองแคก็บอกเอออยากจะนั่นเลยคนมางานบวชของเราก็ให้จะได้กลับไปมือเป่างเลยแล้วก็แจกเบื้องตอน้นจริงจริงเแจกกันดีนี่แหละเดี๋ยวที่ประเทศไทยไปรับอีกทนะ่านเอามาดัดแปลงไปต้องมีการหวานด้นะวยเนี่ยหานโอโหแย่งกัน แล้วยังมีการร้องรำทำเพลงด้วยก็ว่ากันเป็นทีนไนมเนี่ยการให้แบบนี้ขาดอะไรขาดปัญญาเอาถ้ากุถ้ากรรมเหล่านี้ให้ผลนะ่ะก็มาเกิดเป็นคนไม่มีปัญญานะเห็นไหมว่ากรรมเหล่าเนี้ยถึงอาจจะเป็นกรรมขาวจะเป็นกรรมขาวที่ปนบาปเขาเรียกอกุศลและกุศลมันปนกันอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ว่าถ้าอากุศลมากกุศลน้อยเนี่ยเวลาให้ผลให้ยังไงก็เลยยกตัวอย่างบอกว่า คนบางคนเนี่ยเวลาทบุญบนบาปเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดแต่เป็นมนุษย์ปัญญาอ่อนใช่ไหมเออมันมีเหมือนกันไงมนุษย์ที่เกิดมาแล้วปัญญาอ่อนนับหนึ่งไม่ถึงสิบนเนี่ยมีนะสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่มีก็แล้วแต่นะปริมาณของปัญญาก็แล้วแต่ที่ทำนันมีความเข้าใจแค่ไห น, นอีกทีนี้เออถ้าเราไม่ได้ทำแต่เราไปดูเขาเราดีใหญ่ เห็นเขาแย่งกันเนี่ยโยมบงคนไปชอบดูเงเดินดีใจหัวเราะชอบใจถามว่าส่งผลไม่เ็บอกส่งส่งยังไงได้ปริวานปัญญาอ่อนเกี่ยวข้องกับคนอย่างนี้เพระเราไปดีใจในสิ่งที่คนเขาทาผิดอย่างนี้เห็นไ้มว่าถ้าถ้าเราแยกแยะกรรมดากรรมขาวบาปกุศลทามีโทษไม่มีโทษไม่ออกอแค่ ธรรมวิทยาสามพุทธชงไม่เกิดในปัจจุบันนั้นยังไม่พอยังได้ ไ, ได้บาปกุสลตามครับอันนี้ก็ทําห้ไปพิจรนารณาฉะนั้นการทําให้มากทําที่เลวและทําที่ประณีดและคําว่าเลวและประณีดเนี่ยบางทีบางทีไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องบาปกับบุญอย่างเดียวนะแต่เน้นผลบาปกับผลบุญ เออเ น, น้นผลบาปกับผลบุญอย่างยกตัวอย่างเช่นการเกิดเป็นเปรตอสุรากายสัตว์ประหลานนี่รูปร่างของเขาเนี่ยเออถือว่าเร็วถือว่าเร็วนี่ถ้าเทียบกับมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยกับเทวดาเนี่ยเออเราเร็วกว่าเขาคำว่าเร็วในที่นี้ไม่ใช่เป็นความชั่วอะไรเงี้ยเป็นถือไอหยาบนั่นเองที่ท่านเรียกว่าเร็วอะ่ะเช่นมนุษย์กับเทวดาเนี่ยมนุษย์เร็วกว่าเทวดา เทวดาแต่และชั้นเนี่ยเขาก็มีความลดหลั่นกันออกขึ้นไปอย่างนี้เปน็นต้นนประณีตกับเลวเนี่ยบางทีคําว่าเลวคํานี้บางทีเราเป็นที่ว่าหูใช้ไม่ได้แต่บางทีใช้ได้ยกตัวอย่างอย่างเราใช่ไหมถ้าเราเทียบกับเทวดาเราเร็วกว่าเท ว, วดาเร็วในนี่หมายถึงขันห้าของเรานั้นสภาพขันมันยาวกว่านี่ก็ไปแยกแยะส่วนทำดํำทำขาวนี่เป็นพูดถึงเรื่องกุศลกรรมกับอกุศลกรรม กายยะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี่เป็นธรรมดานี่เนะาะธรรขาวก็คือกุศลเนะี่ยกายยสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตทีนี้บางคนเนี่ยพอแยกแยะตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็าทํากันแบบคนดาบอดเช่นทําบุญบนบาปเนี่ยอันนี้ก็าเรากีกรรมดําดคําขาวมันเกลือกลั้วกันอย่างยกตัวอย่างเนี่เว่าเรา อุยไม่ได้หรอกมันจะให้บริสุทธิ์อย่างเดียวเลยมันไม่ได้ใช่ไหมเราอยู่ในโลกใบนี้เอาอย่างจะ่ทาบุญเอมีเป็นรก็เลี้ยงเล่ากันโดยสมมติเงีน้นะไม่สมมติแล้วที่บ้านเนี่ยแต่ก่อนเป็นแบบนี้เลยทําบุญอี่ไรก็เลี้ยงแต่เล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอันยันกลับไปก็ออประกาศไปเลยบอกห้ามแล้วประกาศออกดังๆเลยมันมีไม้มีอะไรต่างครับ เขาบอกเนี่ยเราเนี่ยพ้าก็บวชมาตั้งเยอะสามสิบปีแล้วเอาพระไว้อำมเหรอใช่ไหมบอกเออพวเรานี่ก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลุงเป็นป้าเนี่ยมีญาติเป็นพระแต่เวลาทําบุญแต่ละที่ล้มาเลี้ยงเล่าเนี่ยมันอายเขาแทนที่จะหนึ่งแทนที่มันจะได้บุญแทนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีมันก็ไม่ได้ก็บอกเขาไป ตอนนั้นมีมียอมลงอยู่คนแก่เมาก็เรียกแกมาแล้วก็ว่าดูท่ายัางลุงเนี่ยปวดต้หน้าวนเป็นร้อยเลยเนี่ยเนี่ยยอมลุงเนี่ยหนึ่งอายุจะเจ็ดสิบอยู่แล้วที่เมาแล้วเป็นล้าแอนกับเด็กเล็กๆเนี่ยดูมันน่าดูที่ไหนเนี่ยแกนั่งแกก็ เ, เมาอยู่ด้วยเนี่ยแกพูดกับคนที่รู้ใจกแกบอก พรหลานชายจะไม่ไว้หน้าเลยก็แต่ตั้งแต่นั้นแกเลิกเลยเนะนี่ยแปลกอีกเลิกหมดเลิกแร ก, ก็บอกว่าเนี่ถ้าหากวจะทำบุญเนี่แค่กินเหล้ามยาไม่ทำมนิมนต์ฆามาเนี่ยมาแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเร่งนี้ครับเขาถ้าทำบุญก็รู้เลยที่บ้าน แต่ก่อนยอมพ่อถ้าไม่เลี้ยงวันนี้คนก็จะไม่หัวทําไมเงินเต็มบ้านหมดแล้วทําบุญที่ไรนะคนเยอะหมดน้ำหวานก็เขไปกินกันให้กินรีใช่ไหมกินปีเลี้ยงรีเรื่องต่างเลี้ยงไปเถอะมีอะไรไม่พอจะทำไหมอาหารใครมาทําแจกให้เขาถอกับบ้านนี้เข า, บบ า, เขาดีใจยเยอะหมดนั่นไม่จะเป็นเลยเรื่องเรื่องเรื่องว่าทําบุญจะต้องไป ม, มีสิ่งเหล่านี้แล้วมันเป็นแบบอย่างเลยนะ น้าเข้านเข้าเนได้หลายบ้านก็เริ่มตามทันตามคือถ้าจะทําบุญก็ทําบุญก็บอกว่าอยมาทําบุญบนกับบาปไม่ดีก็บอกคุณแต่กวจะบอกเขาได้ก็เหนื่อยกันเยอะทำเจ็ดประการนะเป็นเหตุแห่งธรรมวิจยตสัมโพชฌงค์หนึ่งการสอบถามมีสำาัญไหมเวลาไปสอบถามสอบถามได้อะไร สอบถามทำที่เป็นกุศลนะกุศลทำที่มีโทษไม่มีโทษทำที่ควรเสพไม่ควรเสพทำที่เร็วและประนีทำที่ดำไม่ทำที่ขาวไปสอบถามแบบเนี้ยจะเป็นปัจจัยให้ได้ธรรมวิจยะสัพพชฌ์เข้าไปก็ตั้งเป็นประเด็นเนี่ยท่านทำที่เป็นกุศลเป็นยังไงทำที่เป็นอกุศลเป็นยังไงทำที่มีโทษเป็นยังไงทำที่ไม่มีโทษทำที่ควรเสพทำที่ไม่ควรเสพทำประนีทำที่เร็วทำที่ดำทำที่ขาวก็ไปถามแบบนี้นะที่เจอหน้าพระเราไปถามอย่างนี้บ้าง ทีนี้เ <Jub> ป็น <açık> ยังไงพระอยู่กัน <rene> ก hmm, ี mm ่องค์นี้อย่าไปถามถามเว่าท่รนทำขนาดนื้ไปทำที่เป็นกุศลเป็นยังไงทำที่เป็นอากุศลยังไงก็ถามท่านอย่างนี้กสนนานเอาไปสอบถามใช่ไหมการสอบถามแต่การสอบถามนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆก็ไปถามเจอหน้าพระเจอหน้าท่านผู้รู้ไม่จะเจอหน้าพวกพวกพร้อมใช่ไหมก็ถามกันอย่างนี้ก็ตั้งประเด็นกันเลย ถ้าไปถามเ่องอื่นไมประการที่สองก็คือการทําวัตถุให้สละสลวยก็คือผมเล็บฟันขนยาวเกินไปร่างกายสกปรกเปื้อนเนือใครนี่เป็นวัตถุภายในคือร่างกายไม่สลัสลวยไม่สะอาดแต่เวลาจีวรน่ะจีวรข้ามข้าวสกปรกเหม็นสาบเสื้อผ้าสกปรกเสนาสนะรุงรังที่อยู่อาศัยในวัตถุไม่สละดสวยไม่สะอาด เพราะฉะนั้นจึงควรทําวัตถุภายในให้สละสลวยด้วยจิตก็คือการปงผงผงเดูแลต่างนันจิตส่วนตัวนี่นะทําร่างกายเบาสบายด้วยจิตมีถ้าบอกว่าเวลาจะประพฤติปฏิบัติจริงๆเนี่ยแม้แต่ร่างกายภายในก็ต้องดูแลเช่นเจ็บป่วยก็ดูแลดีอาบน้ําขาดสีและบรรเท้ากลิ่นต่างๆแล้วทวัตถุภายนอกให้สละสลวยคือการเย็บการย้อมการซักิีวอนการ ระบบบาปที่เป็นต้นเหล่านี้ก็ทําให้เรียบร้อยเสียเพราะจะได้ไม่เป็นกังวลไงเวลาที่จะเจริญกุศลเจริญกรรมถ้าบ้านรลบรุงลังไว้จะไปเสด็จมวนเสด็จไม่ค่อยออกใช่ไหมก็ทําให้สลาดสลวยเมื่อวัตถุภายายภายนอกไม่สลาดสลวยจิตเกิดคือจิตที่เกิดขึ้นก็ขุนมัวปัญญาก็ไม่เกิดก็เหมือนอะไรท่านบอกว่าเหมือนแสงสว่างอะ แสงสว่างของดวงประทีปที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตัวตะเกียงใส้และน้ํามันที่ไม่สะอาดหมดจดแสงมันก็ไม่ ม, มันก็โม่หม่หนึ่งน้ํามันก็ไม่ดีใส่ก็ไม่ดีตะเกียงก็ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยมันไม่สว่างแต่ถ้าว่าน้ํามันก็ดีใส้ก็ดีตะเกียงก็ดีแสงสว่างของประทีปนั้นก็มันก็หมดจด งั้นการทาวัตถุให้ ส, ะสะหลาดสรวยเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นของธรรมวิจยสะสัพพชกต้องทำให้ลกลุงลังหนึ่งไม่ค่อยเกิดบ้านเนี่ยต้องทำให้สะอาดดูดิขัดให้เป็นมันได้ยิ่งดีนะนมันมาทาได้ย่างกินปัญญาก็เกิดบ่งบอกเลยนะ่ะถ้าหากว่าสถานที่อยู่แค่ห้องนอนเนี่ยถ้าห้องนอนไม่สะอาดเนี่ยถามว่าจะเจริญกรรมฐ า, านอะไรได้ จะเจรินกรรมาถานอะไรเนีย่ยท่าทาที่เขาเป็นนักปฏิบัติเนี่ยดูไม่ยากเนยไปดูห้องห้องที่ท่านพักถ้าไปยังไปหมดเลยเนะ่ยรกหลงลังเลยของไปญาติญาติโอ้โหไปซุกนอนอยู่นิดเดียวเนี่ยแล้วบอกเปกก็นพระกรรมฐ า, านเนี่ยเดินหนีเลยเลยไม่ใช่แล้วผิดผิดธรรมาชาติแล้วแต่ถ้ามันโล่งหมดเลยต่างเขาเนะี้นั่นใช่แล้วคือ ดีอยู่สามสี่ปีอยู่ในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ย น, นี่ถือว่ใช้ได้ไ่้ดูหาเยอะฆราวาก็เหมือนกันนะบางคนเก็บของซุกซุกซุ ก, กุกว่าเตะหมดปัญญาไป็น่นี้ปัญญาเขาแบบไม่ไม่ไม่เคยไม่ฟังสายเป็นแบบ น, นั้นไหม น, นี่นีอรแบบ้ คือคือจะทิ้งก็ไม่ทิ้งใช่ไหมของบางอย่างใช่ไหมเก็บจนเก่ า, า, า, า, าแล้วก็สมควรเกี่ยการทิ้งก็คือมันพังแล้วไปดูอีกทีคพยเปิดดิเนลักษณะอย่างนี้คือของไม่สลัดสรุยปัญญาจะไม่ค่อยเกิดมีพระเทเรซพระองค์ น, นี่ต้องต้องไปเอาตาเน้ไปช่วยรื้ออยู่เลยรื้อของ มันก็เก็บท่านก็ไม่ได้ไปอะไรเลยว่าไปเก็บแต่เพียงว่าท่านเก็บไม่ไหวอะไรต่างโอไปดูแต่บทียอมก็เอาของอะไรก็ไปถวายนะของหมดอายุแล้วทั้งนั้นเลยบางทีนะท่านเก็บไว้นานจาัดอย่างทีเก็บจนจนหมดอายุเสียหายนี่พระเราตรงนี้ตอนนี้จะจะค่อนข้างมีปัญหาตรงนี้เยอะเกี่ยวที่เรื่องของของใช้ทั้งหลายไม่รีบระบายออกหรีวรทั้งหลายเี่พระองค์เก็บไว้สีปียกขึ้นมาลุยหลุดหมด ทั่นต้งนี้เราทําบุญคือเราได้ของอะไรมาพุ๊บเนี่ยเราใช้ใช้กระช้ไปใช้ไม่ทั้นรีบเราทำบุญหรือได้มาเรารีบทำบุญเอาให้เป็นบุญให้ให้ทำจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าคารว่าก็ต้องดูด้วยไม่ใยาก็เก็บมีดเก็บเตาเก็ บ, บ ก, บกบระทะเก็บอะไรต่งางๆทาบุญหมดเลยไม่เหลือเลยใช้เลยก็เก็บแต่ต้องมีไว้ใช้แต่ไม่แยกมีไว้ใช้ใชเกินก่อเหียดที่รไปไ ป, ไปมาเป็นคนดังมีโยมมีคนเังไง ที่เก็บของเขานี่เป็นโกดังใหญ่ๆเลยเนี่ยก็ไปก็ตำหนิแกด้วยมาระยะหลังก็ไปแกบอกเนี่ยที่ท่านตำหนินะเกลี้ยงกหมดแล้วถามทําไงแกบอกขายาเศษเหล็กเกา่าๆทั้งนั้นแกขายทิ้งหมดก็ไม่เก็บไว้หรอกเก็บไว้สนิมเกาะกากเงี้ยปัญญาไม่ค่อยเกิดประการต่อมาคือ ก, การปรับอินทรีย์ให้สม่ําเสมอมีศรัทธาพิจิตน ถามว่าถ้าสตินซีของเธอมีกำลังกล้าอินซีนอกนั้นอ่อนต่อเดนนั้นวิรินซีก็ไม่อาจจะทำกิจประคองไว้ได้สตินซีก็ไม่อาจจะทำกิจคือปรากฏชัดได้สมาธินซีก็ไม่อาจจะทำกิต ค, ค, คือความไม่ฟุ้งซ่านดับปัญญซีไม่อาจจะทำกิดคือทัศนาคือการเห็นตามความเป็นจริงเนเพราะฉะนั้น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 ไม่เหมือนคนในยุคก่อนศรัทธาท่านกล้าจริงจริและกล้าแล้วพร้อมมากับปัญญาด้วยนะบางท่านก็ปัญญากล้ากว่าปัญญาเออกว่าศรัทธาทีนี้ ก, นก็เสียอิทธิบเออยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ของทามพาวเรียมีพระอชิตะเกตกำบนเนี่ยเออขออภัยไม่ใช่อชิตะอชิตะมานพอชิตะแล้วก็มเมตคาโคโตทะยโมคาราเป็นต้นอหลนี้เป็นพระปิงกิยาเป็นต้นน่ย มานับสิบหกคนเนี่ยที่เป็นศิษย์ของพามพาวลีคือพามพาวลีเนี่ยอายุอายุร้อยยี่สิบปีมีลูกศิษย์เยอะนี่พามพาวลีเนี่ยเอมีมหาปุริสระขณะดสามอย่างสามอย่างนี้เท่าที่จำได้หนึ่งพระ ช, ชิวหาเกลิ้นเนี่ยลิ้นน่สา ม, มารถแลบออกมาปิดหน้าผักได้เหมือนพระเจ้าแล้วก็อะไรอีกสองอย่าง ไม่แน่ใจคือเสียงพระนะ้อเนี่ยคนที่ลิ้นยาวคนที่ลิ้นยาวเสียงพร้อลิ้นยาวหนาด้วยแล้วก็อ่อนสามารถคือแผ่ได้อย่างเราเนี่ยแลบออกมาไม่ถึงจมูกใช่ไหมไม่ถึงเนี่ยเนี่ยไม่เสียงไม่พร้อนันเวลาคนคนลิ้นยาวมี่เสียงพร้อคือมหาบุรุษลักษณะเป็นลักษณะของมหาบุรุษ นี่ืันการ พ, พราหมพลีเนี่ยมีลูกศิษย์แล้วก็ลูกศิษย์ผูกหาแค่กสอนต่อมาก็ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพว้าวโพลีก็ผูกปัญหาสิบหกข้อผูกปัญหาไปถามพระพุทธเจ้าให้ลูกศิษย์ไปอชิตะมานพเป็นต้นวอนนี้พร้อมด้วยบริวารอีกเยอะไปเดินลอนแลมไปจังๆเดินทางไปสอเดือนสาเดือนเนี่ย พระเจ้าทราบข่าวพระเจ้าก็เดินหนีเลยนี่ต่อมาเนี่ยพอไปทันพระพุทธเจ้าใช่ไหมไปถึงเนี่ยไม่กราบไม่แสดงความนอบนอ้อมไม่แสดงความเคารพเพรา ะ, ะถือเป็นคนเรียนจบมาสติปัญญาก็สูงถ้าสรถก็คือว่าพรามพาวลีเลยตนเองเป็นต้นเนี่ยพรามพาวลีนี่มีความรู้มากยกตัวอย่างเช่นพฤ ก, กษศาสตร์เนี่ยความรู้เรื่องต้นไม้และคณิตศาสตร์รู้เร็วมาก ต้นไม้แต่และต้นเนี่ยดูป๊บรู้หมดว่าต้นอะไรก็จบหมดเลยด้านต้นไม้เนี่ยแล้วไม่ใช่แค่นั้นคณิตศาสตร์แกดูปบเนี่ยแกคำนวณใบกกนับถูกเลยอย่างเราเราเรีเยกว่าดูต้นม้ปัญญาสู้กันไม่ได้จริงนะยังดูต้นไม้ต้นนี้ปบเนี่ยเออต้นไม้ประเภทนี้ออกใบอ ย, ย่างมากประมาณเท่าไหร่และจะร่วมประมาณเท่าไหร่เวลาไหนและจะเหลือประมาณวันต้นเท่าไหร่ในช่วงฤดูนั้นฤดูนี้เป็นต้ น, น, ค, น, นตคํนานวณไปเสร็จต่อไปคณิตศาสตร์ก็เก่งพฤกษศาสตร์ก็เก่ง แล้วหน้าร้อนหน้าฝนหน้ า, เ, นานนนเรื่องดงนี่เขาก็มาคํานวณเรื่องนึงดูดูเก่งมแล้วจบวิชากายเพีศด้วยใช่ไหมเก่งขนาดนั้นเก่งจนชนิดที่ว่านีกว่าพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยอยากรู้เลยส่งลูกศิษย์ไปเลว่าใช่จริงหรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าต้องต้องต้องดีกว่าเราใช่ไหมต้องเก่งกว่าเราเป็นต้นเลยเนี่ไปถึงก็ก็ค้าก็ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงเนี่ย ถ้าเราถามในใจทั้งตอบเราได้ว่าอาจารย์คือคือถ้านนึกในใจถามเนี่ยจะต้องสามารถตอบเราได้ใช่ไหมถึงจะเชื่อว่าเป็นพรเจ้าจี่พอไปถึงพุบเนี่ยแกถามในใจเลยเอาชิตะมานพถามยืนอยู่เลยนะไม่นั่งยังไม่กราบไปถามเลยถามแคถามในใจบอกว่าเอออาจารย์่องแกเนี่ยอายุเท่าไหร่เรียนจบอะไรใช่ไหม และมีมหากริสักษณะนเนี่ยกี่อย่างคือลักษณะของมหาบุรุษพระเจ้าออดูก่อนอชิตาพูดออกมาเลยเนี่ยนะแค่นี้ก็ปล่อยลูกล้วอย่งางนนึกในใจอะอย่างเรานั่งมองหน้ากันแล้วนึกอะไรจะมีใครรู้ไหมไม่รู้เลยเนี่ยแตการที่ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นนึกในใจพวกเนีถามพระเจ้าพระเจ้าออดูก่ออชิตา บอกพามาวุีเนี่ยอายุร้อยยสิบปีตอมาอายุร้อยี่สิบปีนีและพามาวุีเนี่ยมีมหาบริสักขนาดสามปากกาเก็พูดไปบอกว่าเอออย่างนี้ไปชิวหาอะไรกันเออมีลิ้นเป็นยังไงยังไงเขาบอกแล้วพามาวุลีนี่ผูกปัญหาพวกเธอมายังไงแล้วเพื่อให้ถามยังไงพ่าตอบอย่างนี้ออกมาเป็นเซนต์ค่านี่กราบเนี่ย สัตที่แรกปัญญินีนี่ยแก่กาพอเจอตอบปัญหานั้นปับลดฟื้นเี่ศรัทธาขึ้นสมมนัสขนลุกขนพองเกิดปีติว่าโอ้พรพุทธเจ้าอุบาัตเกิดขึ้นแล้วก็มีการถามปัญหาแล้วก็ได้เปีนรู้เป็นต้นย้ต่อมาลูกศิษก็ไปเทศบอกอาจารย์อาจาย์ก็ได้เปีนรู้อีกนิดนงเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็ว่าแค่นั้นสัตทินีกับปัญญีเนี่ยต้องมีความสมดุลกัน ต้องมีความสนุนถมแต่ยัยกยกเรานี่นะขาดทุกตัวศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าอ่อนอ่อนทั้งหมดเลยมีหน้าที่อย่างเดียวเพิ่มเพิ่มให้มากๆเพิ่มมากๆอินทรีย์คือตรงนี้เวลาท่านัะยกตัวอย่างพระวการลีที่มีศรัทธามากแล้วก็ไม่ได้บรรลุ คือเพราะว่กัลเลนี่ศรัท ธ, ธาพุทธเจ้ามากจริงนะมองอะมองพระพุทธเจ้าได้เห็นคื อ, ค, อคือท่านจะคิดศรัท ธ, ธาความงดงามแต่ไม่ได้ค่อยสร้างปัญญาเท่าไหร่อย่างเราเนี่ยไม่ได้เห็นพระวรากายไม่ไม่เห็นพระรูปของพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้เห็นอะไร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 สติก็ไม่อาจจะทำกิจคือการปรากฏให้ชัดได้สมาธิก็ไม่อาจจะทากิจก็คือกาจัดความไม่พุ้งสร้างเป็นต้นได้ปัญญาก็ไม่อาจจะทำกิจคือการเห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นได้เห็นไหมเคือินรีแต่ละตัวถ้ามันแก่กล้ามันพอให้อินซีที่เหลือนะ่ะเสียหายถ้าสเินซีกล้าไม่เป็นไรสมาิเินซีกล้าเกินไปปัญญสเตนซีกล้าเกินไปอันนี้มัน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 ถึงเราก็ยังเห็นอยู่ว่าคนบางคนไม่ศรัทธาในวัตถุอย่างใดอย่างีนึ่วันก่อนก็ยอมที่ที่มาจากทางที่เขามานิมนต์ไปเขาก็บอกว่าในโลกกําลังเดือดร้อนหลวงปู่หมายถึงหลวงปู่ที่เขารับนับถือที่เข้ามาปฏิบัติเป็นกรรมฐานเขาอยู่ทุกวันเนี้สมาอะไรหางไม่ต้องหลวงปู่บอกไม่รู้บอกได้ยังไงท่านตายไปแล้วนี่ ก็บอกบอกว่าให้ทำบุญให้ทาบุญกันท e ั่วประเทศก็จะได้ทำให้ไม่เกิดอุทกภัยวาทะภัยอาคีภัยต่้งหลายอลไรนี้ที่จริงการทำบุญต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันมีโอกาสช่วยตรงนั้นได้ไม่ได้แต่อย่าไปอ้างคนตายแล้วมาบอกได้ไหมถ้าไปอ้างคนตายแล้วมาบอกเป็นปัญหา เขาถ้าไปอ้างคนที่ตายไปแล้วมาบอกมันก็เลยมันก็เลยเสียคําสอนไปว่าจริงๆคําสอนของพุทธเจ้าตรงไหนที่บอกว่ายามภัยวิบัติเกิดขึ้นในเจริญกุศลเยอะๆแล้วก็ยกตัวอย่างได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นในเมืองเวสาลีที่เกิดอุทกภัยเกิดไอ่ข้าวยากหมากแพงเกิดโรคโรคภัยและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นข้อให้พระพระพุทธเจ้าให้ท่านบ้านให้พ้านนเถรานี่เป็นสาธยายพระปริศเนี่ย รัตนผลิตเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็ป้องกันพยายนอันตรายต่างๆในเมืองเวสาลีหรือภัยสาลีได้แต่ประเด็นหน้าของพุทธานุภาพแล้วก็สังฆานุภาพเป็นต้นเหล่านั้นด้วยก็ขจัดอามนุษย์ทั้งหลายและในท่สุจริงๆก็เกิดผลตกชําระล้างสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ให้ไหลไปกระเม่นนะ้ำในต่างๆโลกภยัยการเจริญยุคนั้นก็หาอย่างนี้ก็ยกได้นี่เหตุผลมีอยู่แต่ไปบอกเรา ป, ปู่ น, นั้นของปู่นี่คือ นียมันจะเป็นอย่างเนี้เวลาศรัท ธ, ธามันมากมันมากแต่ปัญญามันน้อยก็จะเป็นอย่างงี้แค่นั้นถ้าศรัท ธ, ธามากดีไม่ดีแต่ปัญญาก็ต้องมากด้วยแล้วเขาจะต้องเอาเหตุผลของคําสอนมาเปรียบเทียบ <t> ตรงนี้ไม่เป็นไรเราะศรัท ธ, ธากับปัญญาเสมอกันได้ดีไม่ดีสมาธิกับวิญญาเสมอกันได้ก็ดีที่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าศรัท ธ, ธาก้าปัญญาอ่อนก็จะเลื่อมใสในวัตถุที่ไม่ควรเลื่อมสแต่ถ้าปัญญากล้า ศรัทธาอ่อนแหละก็ฝากฝ่ายไปในทางเกทางเร เ, เนี่ยเหมือนโรคเกิดเพราะอะไรเพราะผิดยาคือโรคเกิดเพราะกินยาเกินไป ห, หรือกินยาเนี่ยหนึ่งพอกินยาเนี่ยกินยาผิดพอกินยาผิดเนี่ยมันเกิดโรคทีนี้คนที่มีปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยเนี่ยมันจะเกเร มันจะเกเลรแปลว่ามันไม่เชื่ออะไรจนเกินเ ล, เลยเลยทงไปเลยจนนะี้ก็คิดควายเขวไปกุศลจะมีได้ก็ได้เหตุเพียงจิตตูบาทเท่านั้นดังนี้ก็ไม่ทําบุญมีทานบุญต้องเขาบอกเขาไปเชิญเชิญไปให้ทานผมไปไปแลอกนั่งอยู่นี่บุญเกิดกว่าเยอะมีโยมคนหนึ่งนะเออเป็นเป็นนักกรรมฐานใหญ่เลยนะเป็นนักกรรมฐานใหญ่ๆจะเป็นโยมผู้หญิงนะอย่าไปเอ่ยชื่อได้เท่านตายไปแล้ว มีคนก็ชวนเขาไปไปไ ป, ไปทอดกระทิ่นเขบอกวอไม่ไปแล้วว่าเขานั่งอยู่ที่บ้านเขาได้บุญกว่าเยอะเขานั่งอยู่เนี่ยเขได้บุญกว่าเยอะทีนี้การพูดแบบนี้บางดีเป็นเหตุทำให้คนปฏิเสธทานเนี่ยเป็นการทำให้คนปฏิเสธทานในกุศลซึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในบารมีของพุทธเจ้าคือทานในบารมี คนถ้าคนเข้าใจเสียก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าไปงั้นจะไปได้บุญอะไรก็กแต่เขาพูดแกพูดหนักหนา ก, กว่านี้นะพูดหนักกว่านี้จะเป็นคำคำที่ไม่หมเห ม, มาะผมก็เป็นคําพูดหยาบหยาบเพื่อให้นั่งอย่างนี้ได้บุญกว่าเยอะอย่างเงี้ยคนก็โอ้โหเอาคำพูดมานี้บอกลึกซึ้งเลยคื อ, อ, คอสอนไม่ให้ติดทางเลยนะซึ่งมันคนเลยประเจนกันเลยลักษณะเ น, นี้ยปัญญามันมากไปแต่ศรัทธามันน้อย พอศรทานวะ่ามันจะเกเรยอย่างเงี้ยจะค่อยๆแขวะไปเงี้ยจะโลดล่นไปทางที่ไม่ค่อยถูกอย่างเงี้ยแล้วจะมองบอกว่าโอ้โหเดี๋ยนั่งอย่างเงี้ยทำหนึ่งกุศลจิตุบาทขนาดกิจเดียวก็เป็นบุญอย่างมงหาศาสตร์แล้วทํำไมจะต้องไปให้ทานทำไมจะต้องไปรักษาศีลไม่จําเป็นเลยไปให้ทานไปรักษาศีลเนี่ยแค่เรานั่งทําใจเป็นบุญเงี้ยมือหูเราก็ได้เยอะแล้วเห็นไหมวิธีคิดอย่างเงี้เหมือนจะถูกแต่มันไม่ถูก มันเป็นปัญญาไหมเป็นปัญญาเนะียแบบนี้จริงๆแล้วเนะี่ยควรทําทั้งหลายๆวิธีหนึ่งทานนะบุษลความถามบอกว่าถ้าไปเป็นคนมีปัญญาแต่คุนขอทานเงี้ยเอามั้ยมันต้องยกให้เขาเห็นว่าจริงๆที่คนขาดมันขาดข้อใดข้ออยู่มันก็เสียนนะทำไหมหรือเป็นจนจนไม่มีที่จะอยู่อาศัยเลยแต่มีปัญญาเี้ยมันก็ลําบากอีกมันก็ต้องยกตัวอย่างว่าเออขี้เลมะมาก หน้าตาหน้าเกลียดแต่มีสติปัญญามากนี่มันขาดศีลเราต้องบอกเขาเนี่ยศีลกุศลนันขาดก็ก็ต้องแยกแยะไปเขาบอกว่ากุศลมีด้วยเหตุเพียงจิตบาปเท่านั้นดังนี้แล้วก็ไม่ทำบุญทีนี้บางกลุ่มไม่อย่างนั้นนะเมื่อไปพิจะเล่นอร ให้ทานให้ไปทำ้มนั่งอยู่เฉยๆก็ทําบุญได้เนี่ยเขาเขาเขาเขจะพูดกันอย่างนี้เนอะบางคนไปวัดไม่เห็นต้องไปขนาดนั้นเลยบางคนไปทําบุญทุทกวันนั่งอยู่นี่มองๆทำบุญแต่เชื่อไหมบางคนเหล่านี้ตายไปตกนรกก่อนที่เขาไม่ค่อยมีปัญญาอะไรมากหรอกเขาไปทําพวกนี้เขาได้ไปเกิดบนสักวาเนี่ยเสียหายเยอะหมดแหละให้สังเกตดูนะคนคนที่มีสติปัญญาอะไรค่อนข้างดีๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยชอบทําบุญหรอก แต่เวลาใครมาคุยเรื่องบุญเรื่องบุญสนที่เคยยกตัวอย่างที่มีโยมคนหนึ่งอยู่กับที่แก ร, รู้มาเลยใครไปคุยเรื่องบุญเรื่องบุญสนแก่ฉลาดมากแต่แกไม่ไปหรอเวลาใครทำบุญนะไปก็ไม่ไปอย่างนี้จะตายลงในโลกบนบ่ถ้าปัญญาและศรัทธาทั้งสองหมุดเสมอกันก็จะเลื่อมสายในวัตถุคือพระธรรมตรา ย, ย่างเดียวเห็นตรงกัน ไ, ไหมไหมแต่ถ้าสมาธิกล้าวิวริยะอ่อน โกสัจฉะคือความเกียดข้านก็ครอบงำได้เพราะสมาธินั้นฝักใฝ่ายโกสัจฉะนั้นคนที่มีจิตเป็นสมาธิเร็วเนี่ยหลับง่ายให้สังเกต ด, ด้วยดีถ้าสมาธิเกิดเร็วเนี่ยหลับง่าั้นคนที่บอกว่าไม่เคยมีปัญหาเรื่องฟุ้งซ่านเลยไม่มีปัญหาเรื่องนอนเรื่องอะไรต่างๆนี้เลยคีอคนสมาธิก็ดีแต่อะไรอ่อนตรงเร่ความเพียร น, น้อยใช่ไหม คนสมาธิดีเี้อเคยสังเกตนะแล้วคนมางคนเนี่ยก็นอนได้เป็นวันเ้านอนจริงๆเลยนะนอนวันละหกแปดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็นอนเขาเนี่ยเฮ้ยคนลองสังเกตดูถาม่ไม่เบื่อเขไม่เบื่อเพ้าะอะไรเขานอนไม่มีวันสุขเพราะงี้โคสัช้าเขาเยอะเกียดค้าเนี่ยไอเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรอ่อนนะวิริยะอ่อนเห็นไหม นั้นคนที่ชอบนอนชอบอะไรต่างอเไรนี่ยไม่ชอบทํางานนี่พวกนี้ความเพียนมันอ่อนตรงนี้ยเขาไม่ค่อยฟุ้งเนะพวกนี้ไม่ค่อยคิดอะไรมากไม่ค่อยฟุง้งที่พวกกวิริยาก้าแต่สมาธิอ่อนนี่ดีนพวกนี้ฟุ้งสั้นมากก็เป็นอุดอุตจักระเยอะก็กลุ่มพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้งานเหมือ น, นกันนะแปลกไนงะสองกลุ่มนี่นะ่กลุ่มฟุ้งก็ไม่ค่อยได้งานกลุ่มนอนมากก็ไม่ค่อยได้งาน ไอ้ฟุ้งเนี่ยบางทีไอ้จะทํานั้นจะทํานี่ระเบิดเสร็จนทั้งวันเนทีคิดไว้แต่เยอะเลยนะเนี่ยวางแผนไว้แต่เยอะเลยทำได้นิดมันฟุ้งเลนไม่เดี๋อบไปนั่นก็ยังไม่เสร็จต้องรีบไปตรงนั้นอีกรีบไปตรงนั้นที่บอกว่าหนึ่งความเพียรมันมากเกินไปก็อุทธจักสมาธิมากเกินไปก็เกียรติค้างฉะนั้นสมาธ ที่ประกอบกับวิริยะก็ย่อมไม่ตกไปในโกสัจฉะวิริยะที่ประกอบกับสมาธิก็ไม่ตกไปในอุทัจรเพราะฉะนั้นจึงควรทําอินทรีย์ทั้งคู่นั้นให้เสมอเท่าเท่ากันอัปปนาก็จะเกิดได้นั่นตังเกียรติตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมาธิที่ประกอบกับวิริยะก็ไม่ตกไปกับโกสัจฉะไม่ต่าเออถ้าสมาธิมีปุ๊บ ถ้ามีวิริยะเข้ามาเสริมก็จะไม่เกียจค้างอ้าวถ้าเรามีเจริญวิริยะแต่ให้มีสมาธิมาคู่ด้วยเราก็จะไม่ฟุ้งสังเกตดูนะว่าถ้าฟุ้งแปลว่าอะไรสมาธิเราน้อยถ้าเกียจค้างแสดงสมาธิมากเกินไปอันนี้ก็าต้องคอยสังเกตไมว่าเวลาเจริญกรรมฐาน ม, มีการกําหนดอนาณาปานาสติด้วยเจริญอะไรต่างๆให้สังเกตว่ามันจะฟุ้งหรือเปล่าหรือว่ามันจะ มันจะไม่เดินหรือเปล่าเมื่ีเวลาไอ้สมาธิมันเข้าปุ๊บเวลาความง่วงมันเข้ามาปุ๊บนี่กํำหนดไม่อยู่ลืมหรือว่าเพลินไปนเนี้ยหลับไปนเนี้ยหรือบางทีฟุ้งส่งเลยเนี้ยเนี้ยอันนี้เพี้ยนเกินไปนต่นก็สังเกตให้ดีเพราะฉะนั้นควรทำยินเีย์ทั้งคู่ให้เสมอกัน อีกอย่างหนึ่งคือศรัทธาแม้มีกําลังกล้าก็ควรแก่ผู้ที่เจริญสมาธิเพราะเจริญสมาธิเชื่อมั่นอย่างลงอย่างนี้แล้วก็จับบรรลุอรกันต์มหมายความบอกว่าเออถ้าศรัทธากล้าดีไนะดีในขณะที่เราเจริญสมาธิต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้มาประการต่อมาคือสมาธิกับปัญญาผู้เจริญสมาธิคือเจริญเอกคตาที่มีกําลังกล้าก็ควรแก่แก่ผู้เจริญสมาธิแก่แก่ปัญญานี่ย สำหรับผู้เจริญวิปัสนาปัญญาปัญญามีกําลังกล้าสมควรแล้วผู้เจริญวิปัสนาย่อมถึงแทงตลอดไตรลักษณ์โดยปัญญานี้ได้สมาธิกับปัญญาทั้งสองอย่างนั้นเสมอการอัปพน า, าก็จะมีได้เพราะบอกว่าถ้าเราจะเจริญสมาธินะเจริญสมาธินี่นะปัญญาใช้ปัญญาไม่มากใช้ปัญญาไม่มาก ถ้าปัญญากับสมาธิเสมอกันทุศเนี่ยคนนั้นบรรลุอัปนาได้เร็วเด้เรยวเพราะการเจริญสมาธิหรือเจริญสมาธากเนี่ยท่านไม่ได้ให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่าดิ่งแนวลมและปัญญาก็มีความเข้าใจในอารมณนั้นอย่างเนี้ยไม่ได้มาแยกแยะอารมณ์นั้นที่ละเอียดละออใดๆอัปนาเกิดมาแต่สตินั้นจำปรารถนาในจิจทั้งปวงนคือสติมีกําลังควรในกิตทั้งปวงสติย่อมรักษาจิต ไม่ตกไปในอุทธจักรโดยน้าของศรัท ธ, ธาวิรยิยะปัญญาซึ่งเป็นอปอกไฟอุทธจักรและสติก็รักษาจิตไม่ให้ตกไปในโกสัจฉะสมาธิที่เป็นปักไฟโกสัจฉะให้สังเกตด้ยนะว่าอุทธจักรเนี่ยศรัท ธ, ธาวิรยิยะและปัญญาเนี่ยถ้ามีสามตัวนี้มากๆเนี่ยโดยมากพุ้งเช่นศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้ามีความเพียรในการนี่เจริญผลมีปัญญ า, ญญาพยายามมาคีดเนี่ยแต่ขาดสมาธิพุ้งกลมเนี่พุ้งกว่าเลย คือมีศรัทธาไม่ศรัทธาเพี้ยนไม่เพียนมีปัญญาไม่มีปัญญาจะฟุ้งเพราะสมาธิไม่ประคับประคองเขาไว้ฟุ้งหรือถ้าหากว่ามีเกี่ยวในเรื่องของว่าสติรักษาจิตที่ที่ให้ตกไปในโกสัจฉะเพราะสมาธิปรไปโกสัจฉะคือสติจะคอยรักษาถ้าสมาธิสติจะคอยปร ะ, ประคับประคองแม่สมาธิมากเกินไปเพราะฉะนั้นสตินั้นจง จะปรารถนานี้ในที่ทั้งปวงเขาบอกว่าเหมือนกับการปรุง ร, าารเเกเกเสเวล า, าทำอาหารเนี่ยเขาบอกเกลือเนี่ยสําคัญที่สุดว่าการทําอาหารเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าเกลือเกลือเข้ากับอะไรได้หมดเข้ากับเผ็ดก็ได้เข้ากับเค็มก็ได้เข้ากับอะไรต่งตางๆหวานก็ได้นี่เนี่ยเขาบอกว่าคือเหมือนสติอะสติเหมือนเกลือเวลาจะทําอาหารเนี่ยเขาห้ามขาดเกลือ แต่ถ้าคนเป็นโรคไตออย่าง <c oughs> คนประโยคไตมิ่งก็ห้ากินเค็มกินเค็มมากาไม่ดี <c oughs> เหมือนอำมาผู้ชํานาญในราชกิจทุกอย่างชำปรารถนาในราชกิจทุกอย่างเขาว่าอำมาตที่ชํานาญชํานาญมากคนบางคนก็เป็นอย่างนี้ไนงะเป็นคนที่ชํานาญก็จะตั้งให้อยู่หลายคณะหลายนะใช่ไหมถ้าเรามีบริษัทก็ดี ทางร้านอะไรต่างได้คนค น, นี้เก่งก็ตั้งเขาเป็นกรรมการคณะนั้นคณะนี้สรารพัดเหมือนเดี๋ยวก็มีชื่อแม้กระทั่งไปทอดกระป่าเขายกมีชื่อไปใส่ไว้ก็เห็นว่าเรามีความสามวรถอย่าไปกโกรธเขาเลยยังไงก็เชิญชวนให้เราทําบุญอะ้ดีคิดเงี้ยถ้าเกี่ยวกับ ง, งานอะไรต่างมันต้องมีชื่อติดอยู่เรื่อยเล ย, ยจแสดง ว, ว่าเหมือนสติอ่ะเนี้ย สติสตินั้นจำปราถนาในกิตทั้งปวงเพราะเหตุนั้นเพราะจิตมีสติเป็นที่อาศัยมีสติคอยอารักขาเป็นที่ปรากฏเว้นจากสติเสร็จแล้วจะประคองคือจะคมจิตไม่ได้เลยก็บอกว่าถ้าเว้นจากสติเสร็จแล้วจะประคองจิตก็ไม่ได้จะคมจิตก็ไม่ได้ถ้าถ้าสมมติถ้าขาสตินะสมมติว่าจิตมันตก มันหอดหูมันทอ้อถอยประคองก็ไม่ได้เพราะไม่มีสติในการเลือกหรือเวลาจิตมันเกิดฮึกเขิมมากจนเกินไปข่มก็ไม่ได้เพราะขาดสตินั้นสตินี่จึงคอยยับยั้งอย่างเดียวหนึ่งคอยประคองสองคอยขม่มจะเป็นั้งขมได้หรือถ้าจิตฮึกเหิมจนเกินไปนี่ควรข่มนะไม่ใช่ไม่ควร การเว้นบุคคลผู้มีปัญญาสามคือผู้ที่ไม่มีปัญญาอย่างลงในประเภทแห่งธรรมมีขันอาญาธนาธ า, ธาเป็นต้นแห่งกายชื่อว่าการงดเว้นบุคคลผู้สามปัญญาการครบหาบุคคลผู้ประกอบไปด้วยปัญญาก็คือรอบรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของสภาวาะธรรมก็กำหนดลักษณะห้าสิบห้าสิกัพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาโดยความเป็นโทษเป็นภยัยเป็นหัวฝีเป็นลูกศอนเพราะว่าไปตามลําดับนนั้ สี่สิบสี่สิบอย่างห้าสิบอย่างหรือพิจารณาอย่างนี้บอกว่าเอารูปประคันมาก็พิจารณาห้าอย่างนี่ไหมพิจารณาห้าอย่างห้าอย่างมึงรูปประคันเหตุเกิดห้าอย่างเหตุเหตุจับอีกห้าอย่างก็เป็นสิบแล้วเวทนาขันก็เหตุเกิดห้าอย่างเหตุจับห้าอย่างสัญญาสัญขันวิจยางก็อย่างละอย่างละสิบอย่างละสิบก็สิบห้าก็เลยห้าสิบ อย่างเช่นอวิชาเกิดรูปขันธ์จึงเกิดเนี้ยตัณหาเกิดรูปขันธ์จึงเกิดกามเกิดรูปขันธ์จึงเกิดแล้วก็อาหารเกิดรูปขันธ์จึงเกิดนิพปฏิลักษณะคือการเกิดขึ้นของรูปขันธ์ตั้งแต่ปฏิสธิขณะเป็นต้นการเกิดขึ้นร่างวนที่ห้าถ้าอาวิชาดับรูปขันธ์ก็ดับตัณหาดับรูปขันธ์ก็ดับกรามดับรูปขันธ์ก็ดับอาหารหมดรูปขันธ์ก็ดับแล้วก็วิปริณามลักษณะคือลักษณะการดับไปของ กฐานยี่สิบนียเวทนาสัญญาสังขารเวทนาละอวิชาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดเวทนาเกิดกรรมเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดแล้วก็นิพพติลักษณะคือลักษณะการเกิดขึ้นของเวทนาดับไปงั้นน่ยอวิชาตัณหากรรมผัสสะแล้วก็วิปริณามลักษณะห้าประการประดับแต่ละอยางก็เป็นห้าห้ายูก็เป็นห้าสิบกำหนดลักษณะทั้งห้าสิบอย่างเนี้ พิจารณาสภาวธรรมเหล่านี้จะเป็นปัจจัยเกิดปัญญาปัญญาก็ธรรมวิจยะสัมโพชฌงก็จะเกิดการคบหาบุคคลผู้มีปัญญาการพิจารณาประเภทแห่งปัญญาอันลึกซึ้งที่เป็นไปในสภาวธรรมในขันธ์อายตนะธาตุพิจารณาความเป็นไปแห่งญาณอันลึกซึ้งความเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อให้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงกตตั้งขึ้นในียบบททั้งหลายเช่น ในยาวดยืนในยาวดนั่งเดินนอนคู่เหยียดก้มเนยเนี่ยการถ่ายวิจรรวารปัสสาวะการหลับการตื่นการพูดการนิ่งพิจารณาให้ให้ให้ปัญญาเกิดก็คือความน้อมจิตไปในธรรมวิจยตรสำเพื่อชงฉะนั้นเจ้าเธอย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยตรสำเพื่อชงที่เกิดด้วยการอย่างนี้แล้วก็ย่อมบริบูรณ์ด้วยอรหัตมะถามว่า ถ้าตราบใดยังไม่บรรลุอาหัตธรมยังไม่บรู้เป็นพระอรหันเนี่ยพุทธธรรมวิจยรสำโพชงจะไม่บริบูรณ์ถึงที่สุดอันนี้ก็เรารู้แล้วใช่ไหมว่าหนึ่งธรรมวิจชียรสัมโพชงเนี่ยจะเกิดด้วยวิธีไรก็รู้รู้ยังไงก็รู้ว่า ธรรมะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมที่มีโทษธรรมไม่มีโทษธรรมที่ซ่อมควรเสพไม่ควรเสพธรรมที่เร็วและประณี่ธรรมที่เป็นธรรมดำและธรรมขาวนั้นการที่ทําให้มากซึ่งโยนิสมะเนสการในธรรมเหล่าเนี้อันนี้เป็นปัจจัยเป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมะธรรมวิทยาสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดนั้นกากพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นทางไปบูนเจริญบริบูญี่ยิ่งไปธรรมะสัมโพ ธรรมวิเยรสำโพชงที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เหตุเกิดของธรรมวิเยรสำโพชงก็คือการสอบถามการทําวัตถุให้สละดสลวยการปรับอินซีย์การเว้นบุคคลผู้มีปัญญาสามการคบหาบุคคลผู้มีปัญญาการพิจารณาทำยาดังลึกซึ้งและความน้อมจิตไปในธรรมวิเยรสำโพชงในอียาบททั้งหลายยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเช่นเวลาการเป็นผู้มากไปด้วยการสอบถามถามเรื่องอะไร ถามเรื่องขันเรื่องทาตรองอายตนะเรื่องอินทรีย์เรื่องพละเรื่องพุชงเรื่ององค์มัชเรื่ององค์ชาเรื่องสมถะเรื่องวิปัสนาอันนั้นเป็นการสอบถามนะเข้าไปแล้วก็ไปถามส่วนการทําวัตถุให้สละสลวยก็ทั้งที่ได้กล่าวเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นเหตุเกิดเป็นอาหารเป็นอาหารต้องทำมาวิทยาสำพุทธชงแล้วก็ปรับอินทรีย์อะไรต่างๆอันนี้เป็นต้น น, นะนะจนถึงดังที่ได้กล่าวมาเป็นไปตามหลงัก เนื้อรักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าน้อมจิตไปในในธรรมวิทยาสำโพชงดังนั้นการเจริญธรรมวิทยาสำโพชงเจริญยัางคือถ้าเรามีมีรูปแบบมีหลักเกณฑ์นในการที่จะเจริญก็ก็ได้เขาก็ เ, าเจริญกันลักษณะใหมายหม่ก็คือฟังฟังการเรียนการทําความเข้าใจแล้วก็ไปนึกน้อมไปแยกแยะไปพิจรารณาไม่ไม่ใช่มีจิตอยู่แค่ฟังอย่างเดียว ต่อไปก็ไปคายควรไปพิจารณาพิเศษเยอะแล้วก็ไปสอบถามเรื่องขันเรื่องอายุนะเรื่องธาตุเรื่องสัจจะเรื่องอินทรีย์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสมถะเรื่องวิปัสนาเรื่องอะไต่างๆต้องไยอนี่ก็เรื่องเข้าใจก็เข้าใจเป็นสร็กเอาเลยขั้นต่อไปก็เริ่มทําวัตถุให้การสอบถามก็ทําวัตถุให้สลาร์สวยพอทําวัตถุให้สลาสลวยเป็นเสร็จก็จะเข้ามาถึงขั้นในการปรับปรับอินทรีย์เพราะว่าการนง นี่คือธรรมวิจัยนั้นธรรมวิจัยสําคัญไหมสําคัญสติสติยิ่งสําคัญอย่างประการต่อมาคือวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะคือความเพียรเมื่อวิริยะสัมโพชฌงค์มีอยู่นัภายในจิตก็รู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชฌงค์มีอยู่นภายในจิตเมื่อวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่นัภายในจิตก็รู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่นัภายในจิตให้ดูความเพียร น, นะ อันหนึ่งวิทยาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยตรงนี้เสมอวิทยาสัมโพชง์ที่เกิดขึ้นแล้วจกเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยถามว่าวิทยาสัมโพชงย่อมเกิดขึ้นตามในแห่งนาฟีสัมยุตในมหาวัตนี่นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรแต่เร า, าดูก่อนพิกษจ์ทั้งหลายถ้าคือความเริ่มความเพียรการเริ่มความเพียรท่านเรียกว่าอราระพธาอาภะการเริ่ม ธาตุคือความอดคือความออกพ้นไปจากความเกียจค้านเขาเรีเยกนิกรรมธาตุถ้าเกียจค้านถ้าเราเริ่มจะตั้งความเพียร น, นี่เขาเรียกอรัปปธาตุแต่ถ้าหากเราเกียจค้านแล้วสลัดความเกียจค้านออกได้สลัดความหมดหูสลัดความท้อถอยออกได้อันนี้เขาเรียกนิกรรมธาตุออกได้ยังถ้าออกได้เป็นนิกรรมธาตุ ถ้าบอกปารอบยังไม่ปลารอบเลยนั่นก็แบบไม่ได้เลยความเพียนเบื้องต้นถ้าคือความก้าวไปข้างหน้าเขาเรียกปรักรรมธรรก้าวไปข้างหน้าก็แปลว่าไม่ใช่แค่ออกจากความเกียดค้านอย่างเดียวยังมุ่งมั่นในการที่จะเจริญศีลกุศลสมาธิกุศลภาวนาะกุศลจริงๆนั้นการทําให้มากซึ่งโยนิสงมันใหการในธาตุเหล่านั้นอันนี้เป็นอาหารนะอันนี้เป็นปัจจัยของวิญญาณสำโพธิชนที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นทางไภบูนเป็นทางเจริญบริบูรณ์ยิ่งๆไปของญายิสมสมพ่อชงที่เกิดขึ้นแล้วนี่เราบรรู้แล้วใช่ไหมรูว่าเออความเพียรเป็นยังไงหนึ่งเริ่มปาราบลบความเพียเรเขาอารัปะธาตุสลัดออกจากความเกียจค้านแบบนี้กรรมาาธาตุถ้าก้าวไปข้างหน้าอั น, นเป็นป ร, รารภกรมธาตุอย่างนี้ถ้ารู้ตรงนี้ได้แล้วก็ไม่เกียจค้านแล้ว สบายแล้วไปใช้ในการทำสวนนี่ทําได้ทั้งวันเลยนะี่บกไม่ใช่ขนาดนั้นนะมาเจริญกุศลไม่ใช่แค่ขยันทำสวนอย่างเดียวเนะี่ยก็คื อ, อไปจเจริญกุศลในการที่จะทางในกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้น น, นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าสรุปสรุปหน่อยนะนี่เหลือยาวเกินเราจะไม่ทำ ที่จริงทำสิบเอดประการ น, นี้เป็นเหตุให้เกิดวิทยาสัมโพชงเนี่ยหนึ่งการพิจารณาเห็นภัยในใบยภูมสองเห็นอนิสงส์เห็นอานิสงส์ของความเพียรเป็นต้นสามพิจารณาเห็นทางดําเนินไปสี่เคารพยำเก่งต่อบินทบาสห้าการพิจารณาเห็นความเป็นใหญ่ด้วยความเป็นทายาทของพระเจ้าเป็นต้น หลักหกก็คือพิจารณาความเป็นใหญ่ของภาศาสดาเจพิจารณาเห็นความเป็นใหญ่โดยชาติ8พิจารณาเห็นความเป็นใหญ่โดยความเป็นสัพพามจารีก้าเขาวเว้นบุคคลผู้เกียดตคา้านสิบเขาผ่าบุคคลผู้ปรารลบความเพียรสิบเจก็คือน้อมใจไปในวิยาสัมโพชฌงค์ข้อแรกคือพิจารณาเห็นภายในบายพิจารณายัางไงใครก็ไม่อาจที่จะยังวิยาสัมโพชฌงค์ได้ในเวลาที่สวยทุกใหญ่ ก็หมายความบอกว่าเออถ้าเราถูกจองจําเนี่ยมือและเท้า อ, อกในนรกเป็นต้นเหล่านี้ยนั้นเวลาถูกเครื่องจองจำเอา น, นี้นะว่าถ้าสมมติว่าเป็นมนุษย์ไปถูกลงโทษถูกจับคางคุกเป็นต้ น, นโอกาสที่จะเจริญวิทยาสัมโพชงไม่มีอาจไปเกิดเป็นสัตว์นรกอย่างว่าเทวทัตเป็นต้นในเวจีเป็นต้นเนี่ยหมดโอกาสเลยไหมเอาขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในน้ํา จะมาจะเจริญวิิยะสัมโพชงไม่ได้แล้วคอยลหลบแผ้บางประตัก บ, บ้างเจ<ม>ือสัต้์สัติราฉานเนี่ยก็กวัวควาเยเป็ตนต้นอะไรนี้มาเสร็จเลยตุลนดุลายหิวหรือถ้าไปเป็นเปรตนะไปเป็นเปรตโอ้โหเขาบอกว่าเป็นฟุตทันดอนเลยนะมีแต่นหนังโ้รงกระดูกอยู่เนี่ยสูงประมาณหกสิบศอกแปดสิบอก เป็นพอกอสูรเป็นต้อนน่ะอสุรกายเป็นต้นเหล่านี้ก็เหมือนกันเปรตเนี่ยไปเกิดเป็นพุทธันดนรญาติธรรมชาติพิมิสารดีไหมหนึ่งพุทธันดรเนี่ยตั้งแต่พระเจ้าองค์ก่อนอู้กว่าจะมาถึงพระเจ้าองคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหไม่มีเวลาจเจริญวิริยะสัมพอ่อชงเลยอย่ะหิวหิวเนี่ยตรงเนี้ยให้เขาบอกว่าถ้าพิจรารณานี้มันจะได้เกิดความเพียรเพราะเงนหรือพวกอสูรทั้งหลายเนี่ยอสุรกายเนี่ตายเลยไม่หวัน ลมบังแดดบังอัจภาิยที่มีแหนังหุ้มกระดูกสูงร่างกายกระสูงเป็นพวกกาลชิกะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเวลานี้แหละเป็นเวลาที่เธอจับําเพ็ญความเพียรเมื่อพิจารณาเห็นภายในใบดังนี้แล้ววิทยาสัมโพชงก็จะเกิดขึ้นนะเออเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้นะนี่ตอนนี้เป็นสมัยที่เราควรจะตั้งความเพียรได้แล้วนะหนึสัตวน์นรกตั้งไม่รูกี่ขุมเราก็ยังไม่ได้ไปเกิดเปรตไม่รู ก, กี่ําพวก20 ก, กว่าจาพวก ใช่มสัตยราชาดอีกมากมายนะไหมพวกอสุรกายที่มันหิวโหยมีแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่โอ้ยเราพ้นจากใบยับยู่มอยู่ตอนนี้ถ้าไม่เรียบตอนนี้มันจะเรียบตอนไหนอะไรต่างก็พยายามเกินตัวเองหรือว่าี่อย่างเราไปชาติหน้าเราก็คงจะไปดีจะไปทําชาติหน้าดีกว่าอย่างนี้ก็ขาความเพียร น, นะที่คิดอย่างนี้หนึ่งให้ปาราบความเพียรแล้วก็สองให้ออกจากความเกียดค้านสามให้ก้าวหน้าไป ใ ห, ใ, หให้เจริญกุศลให้จริงๆนี่เขาเรียกว่าพิจารณาเห็นภัยในใบยูกูเห็นไม่เหรอในเจพิจารณานี่เห็นมั้ยถ้าไม่เห็นก็ไปมองจิ้งจบบังตกแกบ้างมองเห็นสาตวเดราจานตา่างๆเป็ดไก่หมูหมาช้างมา้าโอปลายไปดูแล้วก็ไปปาแล้วเออเนี่ยศีลกุศลเขาก็ทําไม่ได้ทานนักกุศลเขาก็ทําไม่ได้สมาธิกุศลก็ทําไม่ได้ที่มีเวลาทําได้ไงใช่ไหมดูสนุนันท์เดี๋ยวยุงกัดยุงกินแล้วก็มาเหงื่อไปถึงง้อผาอาหารกิน วันๆหนึ่งมันก็ลําบากมันนะตัวสักพักหนึ่งนอนเองไม่ได้มีสิ่งอย่างพิจาราอย่างนี้โอนไม่ไหวชีวิตก็มีคอยหลบกะตักหลบแจ๊หลบโดนด่าโดนต้องให้ไปลาบเกลียนมาเมื่อพระในสมัยก่อนพอเห็นตรงนี้ก็จะนึกถึงสูตรนี้นี่พอเห็นหมูเห็นช้างมาวัวควายกําลังราบเกลียนอะไรต่างๆ ก, ก็จะปลาลบี่เรายังไม่พ้นเรายังไม่พ้นเปลาลบอย่างเนี้ยเราคิดแบบนี้ไหม เห็นเขาบรรทุกวัวบรรทุกหมูบรรทุกอะไรก็ามผ่านหน้าไปเห็นช้างกำลังลาบมาอยู่คิดไงโอ้สวยดีเจ้าช้างตัวนี้นี่คิดนี้คิดว่า เ, เรายังไม่พ้นเรายังไม่พ้นก็หันมาเจอเลาปลารดความเพี่ยนรีบออกจากความเกียดค้านใช่ไหมรีบออกจากความเกียจคร้านหนปารดก่อนสองออกจากความเกียจคร้านปารดก่อนแล้วก็ออกจากความเกียดค้านแล้วก็ก้าวก้าวนิคขมาธาตก้าวไปเห็นอณิสงของวิริยะ คนเกียรติค้านไม่อาจที่จะให้โลกุตรธรรมคือมรซีผลซีนิพานหนึ่งเนี่ยนั้นคนที่ปา ร, รบความเพียรเท่านั้นจะถึงเดียได้เนาะคนที่บรรลุเป็นพระโสดาบันสกาทานนาคาปัญหคนที่ได้พระนิพานเอาเอ า, เอาง่ายกว่าคนที่เป็นเทวดาเป็นพรบเนี่ยกไ็ได้ยังเพราะความเพี ย, นยรนะแล้วเขาจะเจริญกุศลที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นต้นแต่นี้เราสูงสุดเลยก็พิจรารณาว่าโอ้โอ บอกคนเพียนเท่านั้นแหะที่จะได้โลอุตระคนขี้เกียจคนเกียดค้านจะไม่ได้ลงอุตระทองนี่นคิดวิจารณ์ละละแบบสั้นย่อเลยจะไม่ง่ายๆเลยบ่อยงั้นคนบรรลุคือวิริย์นะทุกขมเจิติตคนจะพ้นทุกข์ได้คนจะบริินิพพานได้ต้องมีความเพีย้ยนนั่นไม่มีอะไรได้มาเพราะความเกียดค้านนะั้นไม่มีแต่เปรตอสุรกายสัตรยาชานสัต ย, ต ย, ต ย, ตยโลกเนี่ยไม่ต้องเพียนก็ได้ใช่ไหม ไม่ต้องเปลี่ยนกันแต่ถ้าจะออกจากภพชาติเหล่านี้ต้องเพียรยังไงพิจาราหินทางดําเนินวิริยะสำโพชงนี้แม้แก่ผู้พิจาราหินทางดําเนินว่าเธอพึงเดินทางที่พระพุทธเจ้าพ่อปเจพระพุทธเจ้าท้ามหาสาวกพระพุทธแล้วก็พระพุทธของพุทธเจ้าทั้งหมดได้เสด็จดาเนินไปแล้วทางนั้นเน่ยคนเกียรติค้านไม่อาจจะดําเนินไปได้ตามนียพระพุทธเจ้าไปแล้วนะทางนี้พรอประเจกระพุทธเจ้า สาวาของพระเจ้าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเขาไปกันหมดทางนี้ฉะนั้นคนที่จะไปทางนี้ได้ก็ปแปลว่าจะไปเดินตามอริยมรรติองค์แปดได้นี่นะก็คือคนขยันนะ่คนมีวิริยะสาวผู้ชมเท่านะ้คนเกียจค้านนะไปทางนี้ไม่ได้ต้องเขียนไว้ทางนี้ไม่รับคนขี้เกียจใช่ไหมเขียนนี่นะไม่รับคนเกียจค้านก็ไปไปเขียนติดนาบานดูรถทัพ บาสนี้ไม่รับกฎเกยฑ์การตามทั้งหมดวิริยะสัมโพุทธชมความยำเพลงดอกบินทบาตถึงนี้ท่านมีพิจารณาอย่างนี้บอกว่าพิสูจพิจรารณาเห็นความยำเกมซึ่งบินธบาต ท, ที่เกิดขึ้นกับภาพมาหามิตเถิละคือเหล่าชนที่บำรุงท่านด้วยปัจจัยมีบินธบาตทจีวร อ, อาหารเป็นต้นเหล่านี้นะ เหล่านี้ไม่ใช่ญาติของท่านเลยไม่ใช่ทาสกรรมกรทั้งเขาก็ไม่ได้บินดาบาไม่ได้ให้บินาบาบเป็นต้นอันตนีแค่ท่านด้วยคิดว่าพวกเราจะดํารงอยู่เพราะอาศัยท่านโดยที่แท้เขาหวังอะไรเขาหวังสักการะของตนว่าจะมีผลมากจึงพากันมาถวายก็สอนให้พระคิดนะีน่แม้พระศาสนาก็ไม่ได้เห็นว่าพิสูจน์ี่บริโภคปัจจัยเหล่านี้แล้วจะมีร่างกายแข็งแรงมากอยู่เป็นสุข แล้ทรงอนุญาตปัจจัยแกเธอพิจารณาแล้อนุญาตปั้จัยเหล่านั้นด้วยทรงประสงค์บอกว่าภิกษุนี้เมื่อบริโภคปัจจัยเหล่านี้แล้วจับบอกเป็นสมะสมานธรรมแล้วก็จะพ้นจากวัตถ <mud library sei> ุวัตถ like ุทุกได้บัดนี้เธอเกียรติค้านอยู่จักไม่ยำเกรงวินบาตนั้นขึ้นชื่อว่าความยำเกรงในวินาศบัตจะมีแก่ภิกษุเปล่ารความเกียดนั้นต้องยิ้มคิดพิจารณาอย่างเงี้ยเอาคำสอนพระเจ้าก็มาพิจารณาดูเออญาติยอมดีก็มาถวายอาหารปัจจัยสีทั้งหลายเลย จริงๆแล้วเขาไม่ได้หวังพึ่งอะไรกับเราแต่เขาหวังว่าจะมีผลมากแต่เราเกียดตค้านอยู่อย่างเนี้ยอาหารทบินาบากเป็นต้นเหล่านี้ที่เขานํามาให้เราจะมีผลมากได้อย่างไรประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือบอกว่าเออพิกษูตรนี่บริโภคปัจจัยเหล่านี้แล้วจะมีร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นสุขไม่ใช่พระเจ้าสอนอย่างนั้นเนืจึงได้อนุญาตอาหารแก่เธอโดยที่แท้อนุญาตด้วยมีผ้าผสมบอกว่าเออเมื่อได้บริโภคปัจจัยเหล่านี้แล้วจะได้สมเพ็นสมณะธรรม แล้วจะได้พ้นจากชาติทุทกชะาทุกมรณะทุกสัวกาวบริเตวาทุกตะโทรมณัสสาวุปายะจะได้พ้นจากสังสารวัฏถ้าเธอท่านเรายังเกียรติค้านอยู่ไม่ยมเกรงับินนบาัตจะชื่อเพราะเชื่อว่าความยมเกรงในบดาจะพิจารณาอย่างนี้ื อ, อจะเป็นปัจัยความเพลนทุกตรงนี้ท่านก็เคยเล่าเนะี่ยเล่าเรื่องตรงนี้ก็คงจะไม่ทัน ก็จบไปแต่ตรงนี้ก่อนก็แล้วเดี๋ยวแผ่เมตตาจะเสียเวลาแค่แผ่เมตต า, า, า, า, าขอให้ข้าพเจา้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดฮาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจา้า อย่าได้มีเวรต่อใครใครเลยอาหังอัคยาปโช โ, โมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดปยาบาตอาฆาตปองร้ายเดียดเดือนซึ่งใครใครเลยอาหังนมีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอาหังสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผ right> ู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเธอสัตตาสุขีตาหุนตุกขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอเวราหุนตุกขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยศาตตาอัคยาปชาหนตูขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัตตาอานีคาหนตูขอให้สัตว yes. ์ทั an> ้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สัตตาสุขีัตานังพริหารันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเธิดด้วยบุญนี้อุทิศให้ครูปชาผู้เลิดคุณและอาจารย์ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่และควงญาติศูนจันและลาชาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมาและอินทราชทั้งถวยเทพและโลกบาลยอมมาาชมัดมนุษย์มิตรผู้เป็นกลางผู้จองผานขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกข์ทนบุญผองที่ข้าทมจงช่วยอำนวยสุขผลให้สุขสามอย่างล้น ให้บรรลุถึงนิพพานพันด้วยบุญนี้ที่เราทำเราพัานได้ซึ่งการตัดตัวตันหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพพานเมื่อลายสิ้นจากสันดาลทุกทุกพ่อที่เราเกิดมีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเบียนเลิศดเป็นเครื่องขูดกีเลตหายโอกาสอยญ่พึงมีแก่โมมานสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประตสลายทำลายล้างความเพียนจมพระพุทธผู้บรณาพระธรรมเป็นที่พึ่งอันอุดมพระประเจกับพุทธสมทบพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพยองโดยอนุภาพนั้นขอโมมานใหญ่ได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิบป้อง อย่าเปิดโอกาสแกมารเธอสาธุสาธุสาธุาอะหลังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอัตวะทีสว่าขาโตพระขวาวตาธรรมะธรรมังนโมสาิสุปฏิปันโนพระขวาวโตสาวกสังโฆสังฆะ